คือตัวสัมมาวาจาเนี่ยมันมีการที่บอกว่าเจตนาที่งดเว้นจากการพูดเท็จเจตนาที่งดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนาที่งดเว้นจากการพูดคำหยาบแล้วก็เจตนาที่งดเว้นจากการพูดเชื่อชื่อใช่ไหมทีนี้การที่จะงดเว้นจากการพูดเท็จเนี่ย ถ้านในโสเจยะทางวาจาที่บอกว่าละมุสาวาตเว้นขาจากการพูดเท็จเมื่ออยู่ในสภาก็ดีอยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ในถ้ำกลางญาติก็ดีถ้ำกลางชุมนุมชนก็ดีอยู่ถ้ำกลางราชตระกูลก็ดีถูกเขาอ้างตัวสักถามเป็นพยานเชิญท่านเถิดเนี่ยท่านรู้สิ่งใดจึงพูดสิ่งนั้นเมื่อไม่รู้ เขาก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นคุณต้นไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ไม่ว่าเพราะเหตุแห่งตนเองและเหตุแห่งคนอื่นและก็แม้แม้ได้เหตุแห่งอามิสเป็นต้นก็จริงๆรบางคนจะกล่าวโกหกบางทีก็กล่าวด้วยเพราะอ้างเหตุตนเอง บางทีก็เหตุของคนอื่นบางทีก็เหตุเพราะ อ, อมิสินจา้างอย่นี้มั้ยคนเราที่จะกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดก็เป็นลักษณะอย่างนี้กล่าวส่อเสียดก็อาบางทีก็อาศัยเหตุของตนเองอาศัยก็เหตุของบุคคลอื่นบางทีก็เหตุองานนี้คําหยาบเพื่อเจอในยะเดียวกันประเด็นอยู่ตรงว่าถามว่าเราจะตั้งยังไงเราต้องทําความเข้าใจนี้ก่อนว่า สัมมาวาจาเนี่ยมีสัมมาคัมมันตาเป็นเป็นตัวกำหนดไอตัวไอเติมเข้าไปมีสัมสัมมาสังกปปะเป็นตัวกำหนดมันมาจากการดำริใช่ไหมถ้าเราดำริดำริไปในกามมคุณมันก็จะพูดเรื่องกามดำริในการที่ไปในพยาบาทมันก็จะพูดในเรื่องของการโกรธการนาคา ตัมบลีในการที่จะเบียดเบียนคนอื่นเบีนต้นเหล่านี้มันก็จะพูดในการเบียดเบียนคนอื่นออกมาเนี่ยมันมาตรงนี้ทีนี้ตัวตําบลีทั้งหลายเหล่านี้มันก็สัมพันธ์กับตัวสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็ว่ากันไปทั้งหมดเหล่านี้เราจะเห็นชัดว่ากระบวนการที่จะเกิดเออสัมมาทิฏฐิได้มันก็ต้องมาจากตัวกําลังของโยนิโสมนสิการที่กวาเป็นผู้ฉลาดในการที่จะ งั้นไอ้ตัวตัวคิดตัวนี้นี่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เราต้องได้ไปก่อนสำคัญที่สุดที่เราเกี่ยวข้องกันในชีวิตจริงๆ อ, อย่างเมื่อเรารู้แล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยเราศึกษาพระธรรมค่อนข้างที่จะแทบทุกวันใช่ไหมเพราะการฟังธรรมเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าโทษของมูสาวาท เป็นยังไงโทษของปิสุนาวาจาส่อเสียดเป็นไงโทษของการพูดคําหยาบเพือเพื่อเชอและในขณะเดียวกันก็ผลของการที <Bible> um <popular> ่งดเว้นเจตนาที่งดเว้นจากการพูดเท็จส่อเจตนาที่งดด้วยากการพูดส่อเสียดเจตนางดเว้นจากการพูดคําหยาบเพื่อเจือเวระเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จอันนี้ก็เจตนาชั่วร้ายเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดส่อเสียด เวราเจตนาอวสุนยิเป็นเหตุการพูดคําหยาบและเกวราเจตนาอวสุนยิเปนเ็นการพูดเพ้อเจือใช่ไหมถามว่าตัวเนี้ยที่มันหลุดออกมาหรือมันพูดหรือไม่เราไม่มีเจตนาพูดตัวนี้เลยแต่เราเป็นผู้ชํานาญในการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายโดยตัณหามานตทิติ mm hmm. พอได้ยินเรื่องราวอะไรต่างๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็พูดไปเลยโดยไม่ได้คิดอะไรหรอกพูดไปตามสัญชาตญาณเคยเป็นมเป็น mm hmm. ก็พูดไปเลยเนี่ย เวลาบางทีพูดบังคัดเครื่อนบ้างไม่ขัดเคื่อนบ้างพูดเล่นพูดหัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกรณีที่เราพูดไปหมดนั่นแปลว่าเราขาดอะไรเราขาดเราขาดความตั้งใจใช่ฉะนั้นะ<อ>มันจะมีคำว่ากถาสัมมาวาจาเจตนาสัมมาวาจาและก็วิรัติสัมมาวาจาใช่ไหมกถาสัมมาวาจาก็คือการที่พูดดีที่เป็นกุศล พูดสิ่งที่ดีงามตั้งหลายเหล่านี้เราตั้งใจจะพูดธรรมะตั้งใจจะพูดสิ่งที่ดีๆอันนี้เป็นกถาสมาัยถ้าเจตนาสมาวาจาร์มีเจตจํานงมีความจงใจตั้งใจเลยว่าเราจะกล่าวคําที่มันเป็นประโยชน์ยังไงเคยเป็นไหมนีม่ความตั้งใจแบบนี้สาคัญที่สุดก็คือว่าออตั้งใจอย่างต่อเนื่องว่าเราจะกล่าวคําที่เป็นกุศล เอาเจตนาเป็นประธานไม่เอาผุศลเป็นประธานเนะตอนนี้เอาเจตนาเอาความจงใจตั้งใจเพราะความตั้งใจมีพลังใช่ไหมนับตั้งแต่วันแต่วันนี้เป็นต้นไปว่าจะกล่าวเราจะกล่าวแต่ถ้อยคําที่เป็นประโยชน์เช่นเราจะกล่าวคําจริงเราจะกล่าวคําที่เป็นประโยชน์เราจะกล่าวถูกกาลดูไหมเราจะกล่าวด้วย เราจะทำตั้งเมตตาขึ้นในการที่จะเป็นปัจจัยต่อการกล่าวอย่างนี้เป็นต้นหรือตั้งกรุณ า, าเลยก็แล้วการที่เรามีความจงใจตั้งใจเหมือนการสมาทานอย่างนี้อันนี้จะเป็นเหตุอย่างมีพลังในการที่เราตั้งใจพอมองเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าตั้งใจในระดับศีลในระดับศีลมันเหมือนการสมาทานนั่นแหละอันเดียวกันเหตุผลที่เราต้องตั้งใจอย่างนี้เพราะว่า ถ้าไม่ตั้งใจอย่างนี้จะไม่ค่อยมีพลังเหมือนเราตั้งใจสมาทานสิกคราอันนี้เหมือนกันเราก็ตั้งใจว่าไม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับใครเราจะทำเจตนาเป็นประธานในการทำกุศลทำปียาวาจาให้เกิดขึ้นพูดคำจริงพูดคำที่เป็นประโยชน์พูดถูกกาลคำว่าถูกกาลนี่สำคัญมากเลยคนคนนี้ควรพูดเรื่องอะไรกับเขาเวลานี้ควรพูดเรื่องอะไร สถานการณ์นี้พูดเรื่องอะไรที่มันจะเกื้อกูลและทําการที่สุดก็คือเราจะตั้งเมตตาจิตก่อนจริงก็ตามเห็น <Okay. S 1> ไ, ไหมพอเราตั้งอย่างนี้มันจะมีพลังนะพอบอกเราจะตั้งเมตตาจิตอันนี้ก็เจตนาสัมมาวาจามีเจตนาพราะยังจะพูดคําหยาบแล้บอกไม่พูดเพราะเป็นวาจาที่ไม่เกื้อกูลถึงนี้เป็นต้นนั้นการตั้งลักษณะนี้มันไปถอนเวรเจตนาอากุศสทั้งหลายเหล่านี้ มันไปสกัดได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ามันมีเจตนาชั่วร้ายเกิดขึ้นและเปล่งวาจาออกไปแล้วสองสามคำและลึกทันต้องละทันทีต้องละทันทีคว่าละทันทีคือทันหมายความว่าแม้สมมุติเรากลังพูดด้วยความโกรธถ้าเรารู้ทันเพราะจากการที่ตั้งใจมาเสร็จ เ, เนี่ ย, ยต้องละเดี๋ยวนั้น โดยไม่ต้องพูดประโยคต่อเลยกล้าที่จะหยุดคือบางทีพูด <ละ S 1> เรื่องนั้นยังไม่จบคือหยุดไปทันทีเลยเหตว่าก็ะจะเจอคนคนสวนทนา่ะเขาก็งงเลยเป็ น, นี้ยเนีไยทําท่าจะพูดพอพูดได้คำปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาเจตนาอวรุนที่เป็นเหตุการพูดเทศ ส, ส่อเสียดทําอย่างเพืเ่เจอมันจะเกิดขึ้นมาปุ๊บมันตัดรอนทันทีเลยไอตัวตัดตัวนี้คือวิรัตตัวเนี้ยวิรัตวิรัตมานั่งอยู่ในใจปุ๊บละปุ๊บทันทีเลยแล้วุ๊บก็ จะพูดเรื่องอื่นหรืจะคุย<ว>เรื่องอะไรก็ว่าไปหรือถ้าไม่คุยก็หยุดไปเลยถ้ากรณีอย่างนี้แสดงว่าวิรัตวิรัตีนีแแ่แข็งแรงแข็งแรงมาทําหน้าที่ได้ทันการ <c oughs> เคยทำไหม เ, เออแต่อย่างนี้ก็วิรัตีแข็งแรงนี่ตัวกุศลศีลที่มีกําลังแต่นี้อยากทําความเข้าใจว่าก่อนที่เราจะพูดเนี่ยด้วยความจริงแล้วอะไรมันทํากี่ก่อนคือ เจตานามันมีสติแล้วมันมีขั้นตอนก่อนที่เราเจตานาเป็นความตั้งใจไว้ก่อนจากความที่เราได้ตั้งเจตจำนงตั้งความชงใจไว้เนี่ยแล้วก็ฝึกฝึกดำริชอบเมื่อเราดำริในการออกจากกามว่าเราจะดาเนินการออกจากกามเพื่อเราจะออกจากพบออกจากวัตฏ เราจะออกจากสังสารวัฏได้เราจะน้อมไปในพรนิพพานนมันโอนไปน้อมไปในพระนิพพานนี่เป็นเนคขมมะสังกปะเรามีนิพพานเป็นจุดหมายเราเรามีเนคขมมะสังกปะอยู่แล้วก็คิดเมตต า, าพอคิดเมตตาเขามามากๆๆก ม, กมกเวลาจะพูดกับเขาอะไรจะใหญ่จะยิ่งมันจะพูดด้วยเมตตาถ้าคิดกรุณาเขาก็จะพูดด้วยกรุณา ถ้าคิดพอยินดีกับเขามันจะพูดด้วยมุติตาเห็นไหมจากนั้นตัวเมตตากับโดยนามมุติตาเนี่ยมันจะเด่นในใจมากเหมือนเหมือนเวลาจะสอนจะแนะนำเขาเหมือนก่อนจะมาโยมมีโยมคนก็ถามเรื่องอนานตนะโทรมา ถ, ถามเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้ขั้นตอนรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งสองสามสี่เออ ฉันก็ดูว่าจริงๆเนี่ยบอกไปแล้วเนี่ยเขาจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาละแล้วการุณาครับเขาอยากจะได้ข้อมูลก็บอกข้อมูลแล้วสิเลยถึงเราไม่ได้จริงๆมันไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกถ้าเราจะบอกแค่นี้เองไม่เห็น<ม>เป็นไรนี่เพราะตั้งกรุณาในใจก็บอกวอ่า เ, ออเราจะพอดาริอย่างนี้ปุ๊บอะไรมา การคิดไม่เบียดเบียนเขากรุณาเขาเกิดขึ้นพอกรุณาเกิดขึ้นตั้งกรุณาไว้ในใจก็เป่งวาจาออกมาก็เลยเป็นกรุณาว้ทีของในขณะที่บอกเขาเขาก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่ขัดเคืองเพราะเราตั้งอะไรตั้งกรุณาเขาว่าเราจะพยายามบอกให้ดีที่สุดเออบอกไปสองรอบแล้วก็ยังไม่เข้าใจรอบที่สามเออเขายังไม่เข้าใจอีกแล้วก็บอกรอบที่สี่เขาก็ออกเข้าใจแล้ว เ, ออเห็นว่าจริงๆเนี่ยฉันไม่ได้มีความสุขที่เขาเข้าใจจะมีความสุขที่เราได้ประคองกรุณาให้เกิดขึ้นในตนยังมีความสุขตรงนี้พอมองเห็นไหมเหนนะี่ยคือมันได้เห็นกรุณาที่เกิดขึ้นในตนและพัฒนาการุณาได้ยาวไกถ้าอย่างนั้นเราจะหงดหยิดคนอีกเยอะมากใช่ไหมว่าคนบางคน อ, อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นนี้เราบอกมาตั้งนั้นไม่เห็นพัฒนาตัวเองนะได้ขนาด แล้วก็เข้าใจใช่ไหมแล้วเข้าใจเขาได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะทำไงได้ก็มนุษย์เราเขาอยู่ด้วยอะไรตัณหาอยู่ด้วยมานนะอยู่ด้วยทิฏฐิทิฏฐิก็คืออยู่ด้วยโมหะนก็ก็กาลังเขามันอยู่แค่นั้นก็ตอนนี้เขาก็ดีเหลือหลายเลยใช่ไหมล่ะถ้า ถ้าเราเป็นั่งงนหงิดถามว่าเราเบีเเยดเบียนใครเบียดเบียนเขาวคิดเบียดเบียนเขาไม่ดีจากนั้นเราก็ควรเป็นสัมมาสังกปะให้มากดําเ น, นในการดําริอย่างเนี้ยและลองดูที่ว่าเมื่อเราตั้งกรุณนาตั้งเมตตาตั้งกรุณาหรือตั้งมุทิตาเราคิดอย่างนี้เราคิดออกจากการมใช่ไหมเราปราถนานิพานใช่ไหม และเราในขณะเดียวกันก็คือใจมันต้องเป็นไปกับเมตตาคนนะคนขี้โกรธไปนิพพานไม่ได้นะคนคิดเบียดเบียนคนอื่นไปนิพพานไม่ได้นะเรคิดอย่างนี้เมืเสร็จพฤติกรรมทางกายก็เป็นกรุณากายกรรมใช่ไหมหรือถ้าเมตตาเขาก็เป็นเมตตากายกรรมถ้าออกมาทางกายกรรมดใดมันจะเป็นเมตตากายกรรมถ้าพูดออกมาจะเป็นเมตตาวิจีกรรมถ้าทําประโยชน์มันจะทําประโยชน์ด้วย ด้วยด้วยด้วยเมตตาทำประโยชน์ส่วนรวมอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมว่าการประพฤติประโยชน์มันก็ประพฤติด้วยเมตตาบ้างด้วยกรุณาบ้างผมบอกฉะนั้นการดาริถูกดําริชอบดําริออกจากการดําริในเมตตาออกจากพยาบาทดําริออกจาการเบียดเบียนมันจึงสําคัญมากต่อการที่จะกํากับพฤติกรรมทางกายและ ว, วาจาคนมีสภาพจิตใจดีด มันมาจากอะไรมันมาจากความเห็นผิดหรือเห็นถูกมันมาจากความเห็นถูกใช่ไหมแต่ความเห็นถูกเนี่ยมันเห็นอย่างน้อยที่สุดมันก็เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแล้วใช่ไหมครับเป็นกรรมมากตาสมาธิที่และถ้าพัฒนาต่อเราเห็นว่านี้ทุกใช่ไหมีเหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกเห็นว่านี้ปฏิปทาทางดําเนินให้เข้าถึงความดับทุก พอมันเห็นอย่า ง, งนั้นเสร็จปุ๊บก็คือนี่ไงเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราเลยดําริดําริี่ออกจากการามนี่ไงนี่เรากําลังประกอบเนี่ยในตัวสัมมาทิฏฐิมาเกื้อกูลอะไรมาเกื้อกูลสัมมาสังกัปปะมาเกื้อกูลสัมมาวาจาม า, กม า, กม า, มาเกื้อกูลสัมมากรรมตะมาเกื้อกูลสัมมาอาชีวะใช่ไหมเระเกื้อกูลเพื่ออะไรนะเกื้อกูลเพื่อเป็นปัจจัยต่อการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์อย่างที่ได้กล่าวนี้พอมองเห็นนี่ไง ยากไหยไม่ยากจ้ะค่ะนี่คือลักษณะของสัมมาวาจาจะเป็นคะถาเป็นเจตนาหรือเป็นวลัตติทีนี้ในสัมมากรรมตะการกระทำชอบทำการชอบหรือการงานก็ได้ได้แก่การกระทำที่เว้นจากความประพฤติชั่วทางกายสามอย่างเขาเรียก ทำการงานถูกต้องตามทรรนองของธรรมน breaks. ทำงานการงานที่ทำทางกายวาจาใจที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญ า, า, าเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าในนันเา ก, ากเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุ งดเว้นจากการโพืพ้นผิดในกรรมโดยในสภาวธรรมมรรคีองค์8เนี่ยพ่อสมาคามตะก็คือความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุที่เว้นจากการยัตุจริตสการไม่ทำการเลิกทำการไม่ร่วงละเมิดการไม่ล้ำขีดการกําจัดต้นเหตุแห่งกายยัตุจริตทั้ง3กําจัดในเนีนตัวตัวสมาคามตตาสมาคามตตาเป็นองค์มรรค นี้แหละเป็นสมารกรมตากลักษณะของสมารกรรมตาก็คือว่าสมุทฐานะก็คือยังศีลสมาธิปัญญาให้ตั้งขึ้นจนกระทั่งโน้ตเขาเป็นปัจจัยแก่การยังศีลอย่างสมาธิกายกรรมที่มดเวนจากกาักรฆ่าการรักทั้งหลายลเลยนี้มันเป็นละปาธิติบละปานาติบาทเนี่ยเป็นขาดจากการตัดร่อนชีวิตวางทันทะวางสัตตรามีความละอายใจ ประกอบด้วยเมตตาใฝ่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงเอก เ, เจตนาตนัวนี้มันเกื้อกูลอะไรเกื้อกูลศีลแล้วเกื้อกูลสมาธิด้วยไหเกื้อกูลสมาธิเกื้อกูลปัญญากระทั่งนู้นพัฒนาไปถึงส่วนต่าปฏิโมกข์ปัญหานะก็คือละการงานผิดละการกระทําผิดอันนี้ก็เรียกว่าเวราเจตนาอนุปสที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเวรเจตนาอนุปสที่เป็นเหตุแห่งการ รักทรัพย์เวลาเจตนาสักษที่เป็นเหตุในการพฤดปิในกรรมันละต้นเหตุเลยประหานะตัวเนี้มันมันมันประหารก็คือว่าไอตัวสัมมากามมันตะที่แท้จริงมันประหารได้เด็ดขาดเลยเหมือนสมมาวจารแต่มันจะประหารได้เด็ดขาดก็ต่อเมื่อมันเกิดร่วมกันกับกลุ่มปัญญาทั้งหลายเลยเนี่ยเกิดร่วมกับการดํำริชอบเกิดร่วมกับปัญญาเกิดร่วมกับสัมมาวจารเกิดร่วมกับสัมมาคามมันตะอาชีวะทั้งหลายนี้ เกิดท่วมกับความเพียรชอบสติเออยสมาธิทั้งหลายเมื่อเขาไปประชุมกันในขณะนั้นก็ถอดเลยถอนรากโคหนิ่งปนานติบาเช่นทสดาบันเนี่ยจึงไม่จึงไม่มีเจตนาเนการฆ่าอยูเจตนาเนการฆ่าเจตนาชั่วร้ายทั้งหลายเนการศีลก็เขาจึงบริบูรณ์ก็ยิง่งนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้แล้วเขามีหน้าที่อุปถัมภะอุปถัมภ์ด้วยนะ คำจูชาซาทมที่เหลือให้เกิดพร้อมกันตนในขณะเห็สวดาเปรีม <i> เขาน่นขึ้นไปสูงสุดขนาดนั้นเลยเขาอุปธรรมเลยทำที่อุปธรรมและก็ครอบงำกิเลสทั้งหลายแล้วก็ยำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสในขณะประชุมในองค์มรรคได้ด้วยตั้งมั่นในขณะหนสวดาเปริมเป็นต้นด้วยยำใจผ่องแผ้วแล้วก็ วิเศษาสตริกธรรมก็คือบรรลุคุณวิเศษในขณะบรรลุธรรมแทงตลอดคุณวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทําให้ตัดสรุปอริยาสาัจสีตั้งมั่นอยู่ในพระนิพภานเป็นต้นแล้วตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นไปลักษณะอย่างเงี้ยไอตัวสัมมาวาจากด็ดีตัวสัมมากัมมันตา น, นี่เป็นตัวระดับศีลก็จริงแต่เป็นศีลที่น้ําเนื่องในองค์มรรคอันนี้พูดถึงสูงสุดเลยนะแต่เบื้องต้นที่เราทํากันเนี่ยมันไปจากเบื้องต้นนี่แหละ จากเจตนาอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้จากเจตนาที่กล่าวเมื่อสักครู่ทีนี้ถ้ามองในตัวคำสอนไอตัวสัมมาวาจาเขาทำหน้าที่ละมิฉาวาจาพร้อมการับกิเลสที่เป็นปฏิปักษ์กับตนเองใช่หมหรับนิโรธคือนิพพานเป็นอารมณ์พร้อมกับควบคุมสาธรรมทั้งหลายไม่ให้วิปริตผิดเพี้ยนเขามีหน้าที่ควบคุม ไอตัวสมาแม้สมารกรรมตาทำหน้าที่รับมิจฉ า, ากรรมันต์ละกิเลสที่เป็นปฏิบักษ์ต่อกิเลสที่เป็นปฏิบัติต่อสมมารกรรมันต์คือเวลาเจตนาอากุศลที่เปฏิเสธการฆ่าเวลาเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุสงการรักเวลเจตนาอากุศลที่ปฏิเสธการบริสุทธิ์ใจกลางอันนี้เป็นเป็นปฏิบัติ์กัเขาเขาละเลย น, นเนี่ยอพอเขาละไอตัวนี้ปุ๊บไงในขณะเดียวกันก็คือ เขาน้อมไปในพระนิพพานใช่ไหมน้อมไปในการที่จะมีนิโรธาสัจจะมีพระนิพพานนี่แหละพร้อมกับกระตุ้นสายชาติธรรมทั้งหลายคือธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับตนเองในการที่จะน้อมไปสู่สมาธิน้อมไปสู่ปัญญาทั้งหลายเรนนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือตัวตัวสมาสมากัมมันพอมองเห็น ทีนี้ตัวสัมมารกรรมตตะตัวสัมมาวาจาสัมมารกรรมตตะทั้งหลายตลอดถึงสมาชีวะนี่หมายถึงควากกมดำติพอมาถึงตัวสมาชีวะที่เลี้ยงชีพชอบเนี่ยหมายถึงการเลี้ยงชีพชอบคือเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดโกงหลอกลวงซอพอก็ว่าไปขู่เข็นทีนี้สัมมาอาชีวะนี่เป็นอยู่โดยชอบก็คือเป็นด้วยการเพียนเป็นผู้ ช, ชอบเพราะงดเว้นอย่างเด็ดขาด จากายยตุจริษาเมื่ีตุจริศจใช่ไหมตัวลักษณะของอาชีวะตัวอาชีวะเออถ้าดูถึงตัวอาชีวะที่เป็นไปในส่วนของตัวศีลศีลที่เป็นตัวสัมมาอาชีวะในองค์มากนิดนะึงเป็นหงตัวการเลี้ยงชีพทั้งหลายเหล่านี้ตัวสัมมาอาชีวะ หลักการที่เป็นสัมมาอาชีวะโดยทั่วๆไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่าละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะองค์องค์องของเขาเป็นเหมือนลักษณะแบบนี้ทีนี้สภาวธรรมในองค์มรรเนี่ยที่เป็นสัมมาอาชีวะก็คือความงดความงดเว้นเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุแห่งการเว้นวิชช า, าชีวะการไม่ทําการเลิกทำ การไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งวิชาอาชีวะสมาชีวะอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เป็นสมาชีวะเวลเจตนาอุศน่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดถามว่าเวลาเจาตนาอกุศนิเป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพที่ผิดก็อย่างที่ว่ามีเจตนาชั่วร้ายในการที่จะไปคดโกงไปขโมยไปอะไรต่างๆเห ล, าล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นอกุศลพื้นฐานเลยใช่ไหม แต่การดำริเนี่ยเป็นปัจจัยกระตุ้นเตือนทีนี้สัมมาชีวะบอกว่าลักษณะก็คือมีความผ่องแผ้วเป็นลักษณะถ้าสัมมาชีวะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดท่านผู้นั้นก็จะมีแต่ความผ่องแผ้วก็หมายความว่ามีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอะไรสะอาดก า, กายสะอาดวาจาสะอา ด, ถ, ดถึงใจด้วยไหมถึงใจด้วยกิเลสหยาบๆที่จะร่วงละเมิดทางกายทางวาจาเนี่ยอันนี้ไม่เกิดแล้ว ทีนี้ถ้ามองตัวไออาชีวะตัวเนี้กิเลสอย่างอย่างหยาบอย่างกลางที่จะร่วงออกมาทางใจก็กลุ่มนิวร น, นิวรณ์นี่ถูกขบด้วยสมาธิอนุสัยเนี่ยถูกประหารด้วยอรอยิยมรรคใช่ไหมทีนี้ไอตัวไอตัวโวทานะเนี่ยโวทานะไอตัวลักขณาเจตุการเนี่ยที่บอกมีความสะอาดบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ย เพกิเลสหยาบๆที่จะร่วงละเมิดออกมาทางกายและวาจาเนี่ยอันนี้ตัวสมาชิวะเป็นตัวยักยั้งได้เลยข่มไปเลยเพราะมันข่มอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วมันรันไปถึงใจด้ว ย, ยสภาพใจก็ก็เริ่มเริ่มสงบนั้นตรงนี้เค้าบอกว่าในขณะนิวรณ์ก็จะเกิดได้น้อยคนที่คนที่อาชีพบริสุทธิ์เนี่ยคนที่กายก็สะอาดวาจาสะอาดใจก็สะอาดนิวรณ์โคตรน้อยจนถึงนั่นแหละประชุมได้อริยมรรค ทีนี้ตัวสมาชีวะนี่มีความเป็นไปแห่งความเป็นอยู่ของกายและวาจามือสุดเป็นหน้าที่หมายถึงอะไรหมายว่ามีการเว้นกายยุทธจิตมีวาจาเว้นจากวจีทุจริตสถิตมั่นอยู่ในสุจริตเวลาประกอบอาชีพเนี่ยสุจริตทางกายทางวาจาจะอแข็งแรงมากเห็นไหมการดําเนินชีวิตอายกตัวอย่างเช่นในในในชีวิตจริงเนี่ยไปตัดหญ้า กว่าไปทํากิจกรรมของชีวิตเออมันมันเป็นอาชีพใช่ไหมมันเป็นการดําเนินชีวิตในการที่จะสแสวงหาอาหารสแสวงหาทรัพย์สแสวงอะไรก็แล้วแต่ดำเนินชีวิตของตัวเองเขาเรียกว่ากิจกรรมของชีวิตที่ดําเนินไปถามว่าเป็นสมาชีวะหรือไม่เป็นสมาชีวะดูตรงไห น, นดูว่าในขณะที่ทํานั้นเนี่ยระ ง, งบับยับยั้งกายยะทุจริตและเขาวิจิตรุจจริตได้ ในขณะที่ประกอบอาชีพมองเห็นไหม<_ <D> _>คือจากการที่ตั้งเ จ, จตจํานงตั้งความจงใจอย่างดีมันก็เลยกลายเป็นว่าความเป็นอยู่ด้วยกายวิชาอันบริสุดเป็นนะเป็นกิจเลยไม่ละเมิดธรรมนาได้ไหมเจ้าค่ะใช่ถ้าธรรมนาเป็นอาชีพชที่จะรักษากายให้สุเฉลีเนี่ยก็ไม่ไปฆ่าไม่ปไมปฆ่าด้วยเจตนาะใช่เพราะการติดกิ่งมันก็มีโอกาส ถ้าเราจะมานสิกาอย่างไี่ว่าในการสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดฆ่าไหมไม่ไมีมมความ <จะ S 1> เพียรเพื่อฆ่าไหมไม่ไมีมองค์นี้ไม่มีเราไม่ได้มีเกียรติถินงเพราะเราจะทําอันนี้ให้เห็นว่ามีความผ่องแผ้วในการรักษาการสุจริตด้วยกันมานสิการอย่างนี้ว่าเราไม่มีจิตคิดจะฆ่าใช่ไ ม, ไม่ได้ทําความเพียรเพื่อฆ่า ไม่ได้ตีเถนะมีแต่เจตนาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงปลอดภัยใ น, ในขณะที่ดได่ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงปลอดภัยกอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้อย่าได้อย่าได้เป็นอันตรายเราจะประกอบอาชีพการงานด้วยใจของเราที่บริสุทธิ์ผ่องเราจะทำการบริสุทธิ์ทําบาจาบริสุทธิ์ในการประกอบอาชีพในการแสวงหาการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องดีงามตามแบบอย่างของอวัยชนทั้งหลายไทยฮาไปนี่แหละได้ พิกแผ่นดินไปก็ไเป็นไรแล้วก็ใจเราน้อมอย่างนี้นี่ใจมันนอ้อมมันจะกสัตว์ทั้งหลายจงตายสัตว์ทั้งหลายจงตายนี่มันเป็นเลยเนะเป็นการเลี้ยงชีพผิดเลยนะ่ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงปลอดภยัยขอสัตว์ทั้งหลายจงปลอดภยัยอย่าว่าเต่อย่าว่าเตหมูเลยหมูสัตว์ทั้งหลายทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมด นั่นแต่มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทั้งหลายจงปลอดภัยอย่าได้เบียดเบียนต้นเงินนกรลือ่อนเราจะประกอบอาชีพนี้เป็นสมาชีวาเราทํากายสะอาดทําวาจายสะอาดอทําอาชีพให้บริสุทธิ์แล้วพองแผ้วแล้วเราจะน้อมกระแสของการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นปัจจัยต่อสมาธิใช่ไหมปราโมทพีดีปฏิสิทธิสุขสมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเรามีนิพพานเป็นจุดหมายนะพอเห็นไหมเห็นแล้วเพรนั้นมันมีความขุ่น คติการาที่เปช้งปัญโง่ท่านท่านคิดยังไงจากเาท่านท่านจะเลิดิน <influenced. S 1> อ๋อเพราะว่าคติการาเนี่ยเป็นผ้านาคาเมื่อเป็นผ้านาคาเนี่ยท่านจะไม่ผุดดินน <nämlich S 2> ั่นผิดกับคนทั่วๆไปถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแปลว่าท่านท่านบริสุทธิ์ด้วยท่านทําความบริสุทธิ์อย่างอย่างยิ่ง ทำความบริสุทธิที่อย่างยิ่งเอถ้าขุดดินเนี่ยแม้ขุดเองก็ดีให้คนอื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินท่านไม่ทําแปลว่าอะไรแปลว่ากุศลศีลของท่านแข็งแรงนท่านไม่ไม่ไ ม, ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเผลอแล้วมันพลาดได้ท่านก็ไม่ทําำเงินทองท่านยังไม่ยินดีท่านยังไม่รับเงิน ไ, ได้ทองนี่แปลว่าสีเงินท่านเป็นระดับของผู้นักคาเพราะอะไร ใจท่านไม่น้อมไปในกามเลยใจวัรุดออกจากกามแล้วเพราะว่ากามราคะละได้อย่างเด็ดขาดปฏิฆะละได้อยู่เด็ดขาดหมดหมดแล้วเพราะมันไม่มีเหตุมันไม่มีเหตุในการที่จะไปเกี่ยวข้องกับกามไม่มีเหตุในการที่จะเกี่ยวข้อง ก, กับกับกาลังของโทสะทั้งหลายไม่มีขยายกามราคะกับปฏิฆะได้ไหมคืออะไรคะความกาหนัด ยินดีรูปมันเป็นที่ละเห็นรูปที่สวยๆน่ารักน่าใครชวนให้รักชักใค่ไข่พาใยกำหนัดท่านไม่มีเลยจะไปยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลประภะทั้งหลายหรือนี้อันน่าใครน่าพอใจชวนให้รักชักใข่ข่พาใจกำหนัดมันถูกถอนหมดเลยท่านเห็นมันจับเป็นศัพทว่าเห็นเลยเห็นจักประมาณว่าเห็นกัน ก็ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการที่ไปเกี่ยวข้องในเรื่องอะไรนี้จะให้ท่านมองมันสวยงามมันยินดีเพื่อเพลินแบบไม่มีเลยฉะนัตว์แต่ว่ า, เ ป, เ, าเป็นอยู่จริงๆเลยท่าเป็นอยู่จริงๆเลยจะให้ท่านเก็บของไว้เยอะๆท่านก็ไม่ทําแล้ว <c oughs> ท่านทาไมท่านไม่บวชล่ะเพราะมีภารกิจก็เหมือนท่านวิสาขาเนี้ท่านยังมีภารกิจเป็นอาปาร์ตัวเมเจ้าพาิมพ์วิสา ท่านทำหน้าที่ก็เหมือนพระองค์หนึ่งแลนะ้วนเหมือนเนรเหมือนพระนี่แหละแล้วไม่ต้องมีเจตนายังวัดเว้นอะไรเลยมันเป็นออโตเมติกเป็นอัตโนมัติในตัวท่านเลยใจไม่น้อไปในกาไม่น้อไปในปฏิเคะไม่มีความหงุดหงิดทั้นนี้ก็ไม่มีเลยเพราะอะไรเชื้อที่เป็นเหตุแห่งความหงุดหงิดมันถูกถอนรากถอนโคนแล้วแปลว่าอะไรในกามาพบทั้งหมด มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกชั้นไม่ใช่เป็นที่ไปของท่านเลยไม่ไม่ไปเลยเพราะกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทํากรรมกรรมที่นําไปสู่กามาพบถูกตัดหมดเลยเ mm hmm. หลือกรรมที่นําไปสู่รูปประพบเท่านั้นเองเหลือเหลือนิดเหลือนิดเดียวแค่นั้นเองถ้าได้อีกมากเดียวขาดหมดเลย <c oughs> กรรมที่นําสู่พบป่าทั้งหลายหลุดหมดแว่าคนประเภทนี้ มันกเปรียบกับปุถุชนได้ยางไงไม่ได้เนี่อพวกเราปุถุชนไงปุถุชนแล้วต้องประกอบอาชีพในขณะที่ประกอบอาชีพแต่เรามีตัวเนี้เป็นตัวยับยัง้งมีเจตนาที่ไม่ค่าโอ้ถ้าถามว่าจะให้ท่านไปทําแบบประเภทที่เฆ่าขายเอยทํากิจกรรมทั้งหลายไม่เเอาของมาให้ท่านจะให้ท่านยินดีไม่มีเลยในโลกใบนี้ ในเทวภูมิทั้งหมดเอาวิมานทุกชั้นมาให้ท่านไม่มีจิตติดข้องเลยเพราะว่ากิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทำกรรมที่ไปเกิดตรงนั้นหมดความยินดีในสีเสียงจะเป็นกามาคุณวิกิตขนาดไหนก็ไปรัดลึงใจท่านไม่ได้แล้วเพราะอะไรเชือ้อคือกิเลสมันหลุดไปแล้วฝันยังไม่ฝันเลย ฝันเพื่อจะยินดีในกามสักนิดจึงไม่มีกระเพาะ น, นะคะ่ะมอออกม ม, มันหลุดตัวเหตุเลยอะตัวกิเลสที่เป็นเหตุมันถูกทำลายหมดแล้วนี่เป็นนี้มิจฉาอาชีวะปะหานาปจจุปทา น, นูมีการประหามิจฉาชีวะเป็นผลปรากฏก็หมายความว่า ความเป็นอยู่โดยชอบเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อความเป็นผู้ผิด เ, เป็นอยู่ผิดความเป็นอยู่ชอบเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นความเป็นอยู่ผิดทางกายทวารวิจิตทวามวรมโนจะไม่เกิดขึ้นได้เลยผลที่ปรากฏจึงได้แก่ความเป็นผู้อยู่อันบริสุทธิ์เพราะอะไรจิตนิปราศจากกิเลสหยาบาอย่างกลางอย่างละเอียด ตามขั้นตอนของปัญญาของผู้ปฏิบัติที่เกิดขึ้นใช่ไหมเวลาปัญญาเกิดขึ้น เ, เกิดร่วมก็ดีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเกิดร่วม ก, กันกับสมาชีวะในการดำเนินชีวิตในการเลี้ยงชีพสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นการดำเนินการเลี้ยงชีวิตเกิดขึ้นกายจะสุจริตได้ไหมไม่ได้เลยกายก็เป็นสุจริตวาจาก็สุจริตในการสแสดงหน้ที่ ไม่มีการก่าเทศในการเลี้ยงชีพไม่มีการกระทําบาปทางกายในการเลี้ยงชีพและมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีศรัทธาความตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเป็นเหตุใกล้ชิดที่จะให้สัมมาชีวะเกิดขึ้นทําไมไม่เลี้ยงชีพผิดเพราะศรัทธาในความดีเพราะศรัทธาในพระรัตนตรยัยเพราะละอายต่อบาอเปเพราะเกรงกลัวต่อบาปเป็นตัวกระตุ้นเตือนเลยเนย มองเห็นนี่เป็นเหตุใกล้มากฉะนั้นศรัทธาก็ดีความอายตบาาความเกรงกลัวต่อบ่าก็กระตุ้นเตือนใจท่านเยอะตบดเบ้เามีไหมที่ท่านจะไปกระทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรยังไม่มีเลยเนี่นี่เป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้นอกจากตัวนี้เกิดขึ้นแล้วสามมาอาชีพในทางธรรมไม่ใช่หมายถึงการใช้แรงงานให้เกิดผลผลิตนียแล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนโดยชอบเท่านั้นแต่หมายถึงการทําหน้าที่ความประพฤติและการดํารงตนให้ถูกต้อง อย่างหนึ่งอย่างใดที่ทําให้ผู้สมควรแก่การได้ปัจจัยเี้ยงชีพเช่นภิกสูตารงตนอยู่ในสมมธรรมและได้ปัจจัยสี่อันนี้เป็นสมาชีวะของพระเนืที่เป็นสมาชีวะของพิสูตหรือการที่ลูกประพฤติตนเป็นลูกที่ดีสมควรแก่การเลี้ยงดูพ่อแม่ก็นับว่าเป็นสมาชีวะของลูกใช่ไหมทีนี้การวัดคุณค่าแรงงานแทนที่จะวัดเพียงแค่การได้ผลผลิต ที่ขึ้นสนองความต้องการของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความต้องการด้วยตัณหาหรือความต้องหรือความต้องการของชีวิตที่แท้จริงก็ยังไม่แน่นะทางรำมากลับมองผลที่เกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลแก่ชีวิตแก่สังคมและการดำรงอยู่ของหมู่มนุษย์ด้วยนะทุนเนี้ยตรงนี้คือตรงนี้สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามองถึงในเรื่องของคนโดยทั่วๆไปหรือชาวโลก การใช้แรงงานในหน้าที่เป็นเรื่องของอาชีวะโดยตรงก็คือเป็นไปเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นปัจจัยเครื่องยิงชีพดังมองกันอยู่ตามปกติก็หมายความว่าถ้าในทางธรรมเนี่ยระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับอาชีวะผลตอบแทนแยกกันสองประเภทเนี่ยคนทั่วไปหรือชาวโลกการใช้แรงงานในหน้าที่เป็นเรื่องเรื่องชีพใช่ไหมถามว่า ในขณะที่เราใช้แรงงานเนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนอย่างหลายตรงนี้เป็นการอยู่กันตามปกติถามว่าเป็นสมาชีวะหรือไม่เป็นสมาชีวะดูตรงนั้นดูการดําเนินชีวิตของเขาเขาได้กายสุจริตวาจาสุจริตใช่ไหมในการดําเนินชีวิตนั่นนี่มันมันเกื้อกูลถ้าของพระก็อย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อพระก็จะต้องเลี้ยงตนเองเป็นผู้สละโลกการใช้เจะเป็นสมาชีวะหรือไม่ดูดูในรายเด็ดตรงนี้ทีนี้ ถ้ามองลึกลงไปเกี่ยวกับเรื่องของสมาชีวาเนี่ยการแสวจการหาแสวจหนารัพย์โดยชอบธทมคือไม่ข่มเหงเบียนเบียนเลี้ยงตนและคนที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบให้เป็นสุขมีค้อแรกขอคือเผื่อแผ่แบ่งปันสามก็ใช้ซั์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำบุญร่วมกับชั้นการเผยแผ่ธรรมะว่ากันเห็นไหมเนี่ยแสวจหนารับมาโดยชอบทำนะไม่พอ สมาธิวะยังลึกลงไปถึงการใช้ทรัพย์ด้วยเลี้ยงตนยังไงเลือแผนการแผนการใช้เลยเลี้ยงตนและคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปั น, ปนแล้วก็ใช้ทรัพย์ในการทําสิ่งที่ดีอย่างนี่ไหมนี่นระการที่หนึ่งก็คือสแสวงหาทรัพย์โดยชอบทมก็คือไม่ได้ไปข่มเหงไปเบียดเบียนใครมาไม่ได้ไปหลอกลวงเข้ามาไม่ได้ไปฆ่าม า, ม า, ม า, ม า, มาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม เป็นสมาชีวะสองใช้ทรัพย์เก็บทรัพย์และการอยู่ได้การเก็บทรัพย์การรักษาทรัพย์แล้วก็ใช้ทรัพย์เลี้ยงตนเองกคนที่เกี่ยวข้องยังไงเพื่อแพร่เพื่อแผ่เป็นปันยังไงใช้ทรัพย์ทําความดีประการสองประการที่ ส, กสมก็คือการมีปัญญาที่การมีปัญญาที่ทําให้อยู่เป็นอิสระอยู่เหนือทรัพย์ ไม่หมกมุ่งมุ่นไม่รุ่มหลงไม่มัวเมาสำคัญมากนะตรงนี้นะกินใช้ทรัพย์อย่างรู้เท่าทันเห็นคุณโทษมีใจเป็นอิสระมีนิสร ะ, ะปัญญาและอาศัยทรัพย์ได้โอกาสที่จะพัฒนาจิตและปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปชัดไหมแบบนี้พภิกษูทั้งหลายบุคคลสามจำพวกปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกก็คือคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตาใช่ไหม คนตาบอดเป็นไนบุคคลบางคนในโลกไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้ได้พกกระซับที่ยังไม่ได้หรือทำพกทรัพั์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนกับทั้งไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยรู้จักธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลธรรมที่มีโทษไม่มีโทษธรรมที่สามหรือปรานิธธรรมที่เปรียบกันได้กับของดำของขาวนี่เรียกว่าบอดคนตาบอด บอดสองตาเลยนะเนี่ยคือคนที่ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักอะคือคนที่ถ้าถ้าบอดข้างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าคนบางคนเนี่ยไม่มีดวงตาไม่มีตาคือปัญญานี่นเองที่จะสามารถหาโภะกรัพย์คือโภะกรัพย์ที่ยังไม่ได้ก็หาไม่เป็นหรือพระกรัพย์ที่มีอยู่แล้ว ก็ไม่ทําให้เพิ่มพูนมีแต่จะลดลดลดลดหมดไปอันนี้เนี่ยอันนี้แปลว่าตาบอดข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งเป็นตาบอดชนิดที่ว่าไม่รู้จักธรรมะแยกไม่ออกนี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นความดีไม่ดีนี่เป็นคุณเป็นโทษเป็นทำดําำขาวุแยกแยกไม่ออกใช่ไหม ว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญไม่ควรเจริญธรรมที่ควรเสพให้ควรเสพอีกเยอะมากาอะเรอย่างนี้มันบอดสองตานี่ก็าเลยนคนตาบอดนี่ประเภทเห็นไหมคนที่ไม่มีสมาชีวะมันเลี้ยงขีไ้ไปเป็นบุคคลตาเดียวเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้โพกซับที่ยังไม่ได้ทำโพกซัพที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนได้มีตาแค่หาศัพ์แล้วก็เพิ่มพูนเพิ่มพูนซั พ, พ์แต่ ไม่มีดวงตาที่ช่วยรู้จักธรรมะไม่รู้จักธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลไม่รู้จักกายทโจริญวจีเจริญมโนเจริตไม่รู้จักกายยสเจริญวจีเจริญมโนเจริญไม่รู้จักกุศลไม่รู้จักอกุศลไม่รู้จักบุญกับบาคุณโทษประโยชน์อะไรดำขาวประนีประนี้ลักษณะนี้คือบุคคลตาเดียวมีเยอะไหม แล้วก็ประการที่สองคนสองตาเป็นอย่างไรบุคคลบางคนมีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้โกพกษะทรัพย์ที่ยังไม่ได้และโกพกษะทรัพย์ที่มีแล้วก็ทําให้เพิ่มพูนทั้งยังมีดวงตาชนิดที่รู้จักธรรมะทั้งที่เป็นกุศลอกุศลคุณโทษสามและปราณีธรรมที่เข้ากระได้กระทำําและทำขาวนี่เรียกวบุคคลสองตาคนตาบอดตาเสีย มีแต่กาลีเคาะร้ายทั้งสองทางคือโภกระทรับอย่างที่ว่าก็ไม่มีคุณความดีก็ไม่ทําเสียเลยนะอีกคนหนึ่งที่เรียวกตาเดียวเที่ยวสแสวงหาแต่ทรัพย์ถูกทำมะถูกทำก็เอาผิดธรรมะก็เอาไม่ว่าจะเป็นลักขโมยคดโกงก็เอาเพราะไม่รู้จักแยกแยะ ก, ยกุศลแะกุศลไงหลอกลวงก็เอาฆ่าสัตว์ก็เอา สวยงามที่ฉลาดสะสมทรัพย์แต่จากนี้ไปก็ไปนรกคนตาเดียวย่อมต้องเดือดอร้อนใช่ไหมต้องเดือดร้อนส่วนคนที่เรียกว่าสองตาเป็นคนประเสริฐย่อมแบ่งทรัพย์แบ่งปันทรัพย์ซึ่งได้มาโดยความขยันออกจากกองโควค้าที่ได้มาโดยชอบธรรมแล้วก็แบ่งทรัพย์ออกมาเบื่อแผ่มีความคิดสูงประเสริฐมีจิตใจแน่วแน่ ย่อเข้าถึงสถานะที่ดีงามที่ไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกท่านว่าพึงหลีกเว้นคนตาบอดและคนตาเดียวเสียให้ไกลให้ไกลเลยนะหลีกเว้นคนตาบอดและคนตาเดียวเสียให้ไกลควรครบหาคนสองตาซึ่งเป็นผู้กระเสริฐเท่านั้นผู้อันตรายพุทธาบางคน เวลาเจอใครก็ต้องถามว่าอยคนหาเเก่งไหมมีธรรมะมันต้องคอบคนสองตาคนตาเดียวคนนันได้แต่หาทรัพย์แต่ธรรมะเีอ yeah. ะมีเยอะเลยเนี่ย <Yeah. S 1> อย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยก็เรียกสมาชิวะเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ส่วนการแสวงหาทรัพย์ยังไงจะเป็นอุทานะสัมปทาอารักษสัมปทา การยานามิตรตายยังไเป็นตนะะ้นเขาขยันไม่ประมาชลาจัดการนี่แหละเป็นอุทาหนะณก็แปลแว่าตัวคนเนี่ยลุกขึ้นไม่มัวนั่งนอนอยู่ก็ได้เงินทองก็เพิ่มพูนและมีความเจริญขึ้นก็ได้ mm hmm. เมื่อขยันหมั่นเพียรแล้วก็กิจธุระการงานซึ่งจะต้องเดินหน้าก้าวไปแล้วก็ต้องจึงจะสำเร็จและถึงจะเข้าถึงความสำเร็จได้ความขยันไม่เพียงเป็นองค์แห่งความสาเร็จแต่เป็นการระลึก ถึงความภาคภูมิใจในความสุขในชีวิตในการงานเป็นต้นด้วยแล้วก็ไม่ประมาทแล้วก็ฉลาดจัดการในนี้สําคัญที่สุดก็คือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลเนี่ยจะถึงความฉลาดถึงนี้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของอาชีวะที่เป็นองค์มรรคเห็นไหมนี่การปฏิปปตพิษธรรมที่เราไม่เคยถูกเอามาสอนกันเอามาแนะนํากันในชีวิตจริงๆ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆากหรือว่าคนที่จะประพฤติทำบรรลุธรรมเนี่ยมันเกี่ยวกับการฉลาดจัดการมีใช่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่รายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างเยอะก็คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจให้ชัดในการที่จะดําเนินชีวิตให้เป็นสมาอาชีวะอยังไงท่านพูดถึงในเรื่องของสุขเกิดแต่การมีทรัพ สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้แล้วก็สุขเกิดจากการสุขเกิดจากกรรมที่งามที่ไร้โทษถ้าสุขเกิดแต่การมีทรัพย์ก็เขาเรียกอัติสุขหนึ่งหาทรัพย์มาโดยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมทรัพย์โดยกำลังแขนเป็นต้นได้มาชอบทมเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมณะเพราะเรามีโภคาที่หามาได้ด้วยความ พยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมทรัพย์ด้วยกำลังแขนอย่างองเดเหนื่ตามเป็นของชอบทํำได้มันอันนี้เขาเรียกสุขเกิดจากการมีทรัพย์หรือชื่นใจว่าทรัพย์ที่เราได้มาทั้งหมดมันได้มาด้วยความชอบทำควรขวายได้สมาชีวะมัมดมองไปที่ไหนชื่นใจมาอย่างนี้นี่เป็นความชื่นใจทั้สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคเป็นยังไงทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบทำเนี่ยสมมติทรัพย์ที่หามาได้เนี่ย ได้มาโดยธรรมเราได้กินได้ใช้ได้ทำสิ่งที่ดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายเรียกว่าพอคาสุขกินใช้ทำประโยชน์แล้วก็ทาที่สิ่งด้วความดีนี่ายสักสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้ก็คือว่าเราไม่ติดหนี้อะไรของใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากก็มีความสุขเพราะเราไม่ได้ไปติดติดหนี้ใครเลยเไม่มีหนี้มีสินอมีไหมกันมีใ่ไหมเรื่ คำว่า น, นี่ในที่นี้แปลแว่าถ้ามันมีระบบจัดการก็ละอย่างเนี่ยถ้ามีระบบจัดการถ้าไม่มีระบบจัดการเนก็เรียกว่าน <uss> ี้่ถ้าเขามีระบบจัดการในตัวของตนเองเนี่ยอันนี้อัน น, น, นี้อันนี้ไม่เป็น <p> แล้วที่สําคัญที่สุดมันเป็นข้อสุดท้ายสุขเกิดแต่การประพฤติกรรมที่ไร้โทษคือว่าเป็นพวกประกอบกายกรรมที่ดีงามไาร้โทษวจีกรรมที่ดีงามไาร้โทษ แล้วก็มโนกรรมที่ดีงามไร้โทษก็มีความสุขเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกายกรรมไม่มีโทษด้วยจีกรรมไม่มีโทษมโนกรรมที่ไม่ไ ม, มีโทษประกอบด้วยกรรมที่ดีงามเน้ no, เนี่ยเมื่อนึกถึงความสุขจากความไม่เป็นนี่แล้วก็พึงลุกเลิกถึงความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์การกินการใช้ก็จะเห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโพคสุขเมื่อเห็นอย่างแจ่มชัดก็มีปัญญา ย่อเข้าใจทั้งสองส่วนเทียบกันบอกว่าความสุขจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดการไม่เป็นหนี้ความสุขเหล่าเนี้ยไม่ได้สุขจริงเลยหรือไม่ได้สุขมากเท่าไหร่เลยส่วนความสุขมากที่สุดมันกับกลายว่ากายกรรมเราก็ไม่มีโทษนวิญญาณกรรมเราก็ไม่มีโทษมโนกรรมเราก็ไร้โทษกายสะอาดวาจาสะอาดใจเราก็สะอาด เราเน้อไปในการที่จะเข้าถึงพระนิพพานนี่นะลักษณะอย่างนี้ยเขาบอกว่าไอ้สุกสามอย่างข้างต้นนั้นมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกของความสุขที่เกิดชาติเราะพืชสุดจะหลุดไร้โทษเอามาแบ่งนะสิบหกส่วนเอาส่วนที่สิบหกมาแบ่งสิบหกครั้งสิบหกคนนะยังไม่เท่าสุขจากการที่กายก็ไร้รทษวจีไร้โทษปณิกรรมก็ไร้โท ษ, อโทษมองอย่างนี้ยัง นี่เป็นอย่างนี้นะมีเป็นต้นนี่หลักการหลักการที่เห็นไหมว่าท่านสอนที่มีความสุขจากการเมื่อได้ทรัพย์มาเลยจากการใช้ใช้สอยทรัพย์แล้วไม่เป็นนี่และสุขจากการที่เราดาเนินกิจกรรมของชีวิตแล้วเราไม่ได้ทุจริตทางกายทางวาจาและอาชีพก็ไม่ได้ทุจริตทางพิจารณาอย่างนี้ปลาโมดเกิดหม ละโมดพิธีประสิทธิเกิดปุ๊บตรงนี้แหละมันเป็นปัจจัยต่อการกระตุ้นความเพียนเป็นปจัจจัยต่อวิทยาในการที่จะละ บ, บาปอคุศลกาเป็นชั่วร้ายทั้งหาลายตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเตรียมพร้อมในการที่จะเจริญเกี่ยวกัเรื่องของสัมมาวายมะทักเลยเนี่ยนี่เป็นนี้อมองเห็นหรือยังเนี่ยสัมมาวายมะมเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ เข้มาวายมะทีนี้เขาพูดถึงในเรื่องของตัวสัมมาวายามะเพียรชอบหมายถึงเพียรชอบคือตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้ามองหลักการจริงๆกันน่นแหละเดินเพื่อให้หลุดพ้นไปจากกิเลสและกองทุกข์องค์ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติในสัมมาวายามะก็คือพิสูจน์ในว่าทํามวินัยนี้สร้างชันท้าพยายามปาราความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาปปัุบันธรรมท Ь ี่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นภิกษุในพระธรรมวินัย น, นี้สร้างชันทะกูใจรักเลยเนะี่ยใจรักเพียพรพยายามปารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปปัุบันธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี่เคยบอกไว้แล้วบาปที่เคยเกิดขึ้นมาบาปทั้งหมดทุจริตทั้งหมดบาปเก่าทุจริตเก่าปัุบักรรมเก่านี่โอ้โหมีชันทะมากที่จะไม่ให้บาปเก่าอกุศสเก่ า, ก ท, า, ท, า, ท, ากทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้น หรือบาปใหม่กุศลใหม่ที่เรายังไม่เคยทําแต่เราได้ยินข่าวเราก็จะไม่ให้บาปทั้งสองชนิดที่เกิดขึ้นในกระแสชยุทธก้าวไปจากหน้าก่อนแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะรู้ถึงซึ่งอนุภาคราตรินิพพานภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สร้างฉันทพยายามปรารบความเกลียคบคปรองจิตมุ่งมั่นเพื่อทํากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเอาฤทธิ์ศีลสมาธิปัญญาใดๆที่ยังไม่เกิดเราจะทําให้เกิดขึ้นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สร้างฉันท้าพยายามปารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อดํารงมั่นไม่เรือนหายพินโยภาพภัยบู์เจริญให้เต็มที่ของสุรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ถ้ามองนี้ก็คือว่าสภ า, าวะธรรมในมรรคเนี่าายนัมมาวายมรคก็คือปารบความเพียรทางใจเนี่ยเพียรทางใจเนี่ยคำหมักคำเม่นความบากบัน่นแต่ก่อนเราคิด ว, ว่าทำกายใช่ไหมแท้จริงเพียรทางใจล้นๆเลยจริงไหย เย็นทางใจด้วนะความขวนขวายความพยายามอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่งมั่นแบบไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันท่าไม่ต้อคือไม่เคยทิ้งฉันท่มีใจรักใจรักในการเจริญกุศลบุกฝ่าในการเจริญกุศลเคยทิ้งไหมบางทีเราทิ้งเลยนะทอดทิ้งทุละ ความเอาใจใส่วิริยะวิริย์สีวิริยะพาร่าเนี่ยเป็นองค์มรรคหนึ่งนี้ที่เป็นสมาวัยมะเนี่ยป uh, ักข้าหาก็คืออะไรเนี่ยประคองจิตให้อยู่กับศีลสมาธิปัญญาจนกว่าจะถึงมรรคยานเนี่ยประคองประคองประคองไม่ให้หลุดประคองไว้ประคองไว้มันจะเซก็ประคองไว้จะเซก็ประคองไว้ประคองให้อยู่เมตตาประคองให้อยู่ในกรุณาประคองให้อยู่ในมุทิตาประคองอยู่ในกุศลทั้งหลายเหล่านี้ไอตัวประคองเนี่ยนี่เขาเรียกวิริยะปักข้าหา ปหานะีละความเพียนผิดด้วยเนะยังจิตให้ตั้งอยู่ในความเพียนชอบเจนกระทั่งถึงมรรยาทอะไรที่มันจะเพียนเช่นเพียนที่จะทําบาปเพียนในการทําสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนะี่ยละเลยละอุปธรรมพกก็คืออุปธรรมองค์มรรคที่เหลือด้วยจนกลายเป็นมรรคสมังคีเพื่อจะเป็นปัจจัยในการละกิเลสได้แล้วก็ปริโยธาคนระอบนําความโลภความโกรธความหลงไม่ให้โลภโกรธหลงมันมาครอบงำกดมันไว้ได้ ยังจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วก็ตั้งใจไว้ในศีลสมาธิปัญญาจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานพยายามปฏิบัติจนให้บรรลุคุณวิเศษให้ได้ฝึกเ ด, ดินต่อไปถ้าคุณวิเศษยังไม่ไม่หยุดความเพียรไม่หยุดเลยนะไม่หยุดยมรรคผลนี่นวัวทานะก็คือยังใจให้ผ่องแผ้วจากกิเลสจนคไม่กิเลส เพียรพยายามเดินสมถาวิปัสนาเดินศีลสมาธิปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเที่ยงเพียรเจริญปัญญาอาณให้รู้อริยสัจสิประคองปัญญาแล้วก็ยังใจให้ตั้งอยู่มีนิโรธสัจจะเป็นจุดหมายเลยเป็นอย่างไรลักษณะนี้เขาเรียกสัมมาวายามะก็มีทั้งสังวรประทานปหานประทา น, า น, ทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานมีอนุรักษ์ก็คือถนอมรักษา สมาธินิมิตเลยสัญญาทั้งหลายเลยนี่เกิดขึ้นตลอดเพียรอนุรักษ์ก็คือเพียรรักษาส่งเสริมกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปสังวรจะป้องกันเพียรระวังอกุศลที่ยังไม่เกิดปหานะก็ละอกุศลกําจัดอกุศลที่เกิดแล้วภาวนาก็เพียรเจริญสร้างกุศลที่ยังไม่เกิด กุศลที่ยังไม่เกิดทําให้เกิดขึ้นอนุรักษ์กัเพียรอนุรักษ์เพียรรักษาส่งเสริมกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ไพ่บุญให้พินโยไพ่บุญนี่ยิ่งยิ่งขึ้นไปชัดไหมนีความเพียรชอบมีความเพียรนะมีปัญหาเรื่องความเพียรมีตรงไห น, นไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเนื้อหา จะทำยังไงให้ความเคลื่อนมีอะไรคืออาหารที่จะทําให้มันติดต่อไม่มีช่องโหว่ที่คิดถึงคิดถึงนรกคิดถึงอบศยศัตว์คิดถึงเปลือสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกคิดถึงคนป่าคิดถึงการเกิดคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตาย คิดถึงในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นมันมากกว่าสมัยที่เกิดขึ้นโอกาสนี้เท่านั้นแล้วคิดไปว่าโอกาสอื่นไม่มีแล้วเหลือมีโอกาสเดียวนี้เท่านั้นถ้าไม่เพียรวันนี้วิบัตแิแน่วิบัตแิแน่บอกตัวเองมันเหลือเวลานี้เท่านั้นที่ยังมีลมหายใจถ้าตายไปแล้วซวยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวอะไอย่างเงี้ยโอ้โหอยู่ไม่ไหวใช่ไหม <c oughs> พอจะมานั่งเกียรติชานมานอนหดถูอยู่มานั่งเตือนบอกตัวเองเลย อยากจะเป็นจะแปะกล้วยยังไงเป็นไหมรู้เรื่องรู้ราวที่ไหนเป็นเด็กผมอยากจะเป็นก็นอนต่ออาเน้นอนต่ออย่าไปควนขวาอย่าเจริญกุศลเพลินไปเป็นอะไรก็ได้เป็นสัตว์นรกก็เอาสัตว์เดรัจฉานก็เอาเปรตก็เอาเออไปเพราะงั้นเด็กพออย่างนี้แหละไอ้คิดอย่างนี้แหละในชีวิตที่ผ่านมาจึงไม่พ้นทุกคิดไปเรื่อยๆคิดอย่างนี้จะมีกําลังแล้วเพราะงั้นเด็ก อยู่ไหวไหมแบบนี้พอถึงเวลาตีสี่ไม่ต้องลุกหรอกแต่ได้ได้ชา้านอนเพลินตั้งนานด้วยคิดปะไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะเพียงให้ข้อมูลมันเฉยๆนอนไปนอนไปบอกไมันจะได้มันนอนไม่อิ่มสักทีในสังสารวัตนอนได้มากๆนอนไปอไม่มีอะไรหรอกนอนไปเดี๋ยวก็ตายตายไปกับการนอน นอนเสียจะไปตกนรกแล้วจะไม่ได้นอนอลไรเงี้ยบอกนียไม่อยู่เลยเดี๋ยวี้โอ้โหจริงไหมคือจริงจริงให้ข้อมูลมันง่ายมากใช่ไหมนอนแล้วพิกซ้ายพลิกขวาเออนอนหาที่นอนมันดีๆนอนให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวไปชาติหน้ามันจะไม่ได้นอนแล้วต้องเรียนนอนคือจะไปจบในวัดตาจมในสังสารวัฏ ถ้ไปเตือนเป็นวัวเป็นควายไม่ได้นอนกับเขาแล้วก็ไถให้ไถานายอยู่นั่นแหละก็ตีก็เครียดอยู่นั่นแหละไปเป็นหมูก็ไม่มีโอกาสาได้นอนอเดี๋ยวก็เอาไปเชื่ออีกแล้วเป็นเป็ดเป็นไก่วิไลอะรทั้งหลายเดี๋ยวก็มาสรารพัดมาอยากจะเป็นไก่ในโรงงานของซีพีบอกอยากจะเป็นหมูในโรงงานของซีพีใช่หมเดี๋ยบอกเขาเอาไมหมไม่เอาเอในคัน ข, นของพวกนี้ยังมินที่เกิดของเราอีกเยอะนะเงั้น ถ้าไม่ขยันไม่เจริญบุญสลมีโอกาสอีกเยอะมากที่เกิดเรายังมีอีกเยอะเรายังไม่สามารถตัดชาติสงสารได้เลยบอกเข้าไปอย่างนี้ถามว่ามันจะมันจะนอนต่อไหมไม่ต่อลกขึ้นเล ย, ยเห็นไหมมันเรื่องทางใจล้วนๆเลยให้กำลังตําำลิดบุญแต่ถ้าเพียนมากเกินไปก็ก็เสียหายนะ สมเหตอกิต จ, จังอาตะปังอาค า, า, าตาโรตถาคาตาความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทางให้เพียรเองไหมต้องเพียรเองทีนี้การทำความเพียรเนี่ยหรือถ้าไปให้ความเพียรมันโดดเด่นเกินไปเนี่ยคือยงไะมันจะเป็นฟุ้ง พุทธเจ้าพุทธเจา้าสอนนา็ท่านสนนะเกิดความคิดบอกว่าก็คือเพียนแล้วต่อมาท่านท่านเป็นชาวท่านไปเพียนอยู่ที่ป่าสีตะวันที่เมืองราชกฤะใกล้ๆคิจกูดนั่นแหละอย่างแรงกล้าเดินจงกรมจนเท้าแตกแต่ไม่สำเร็จมากผลขณะที่อยู่ในที่สงัดท่านก็คิดบอกว่าเออบรรดาสาวกพพุทธเจ้า ผู้ที่ตั้งหน้าความเพียรเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในการกระทำความเพียรแต่จิตของเราก็ไม่หลุดพ้นอย่างอาสวะหมดอุปท า, านได้ก็เลยตระกูลของเราก็มีโพคะเราก็ใช้จ่ายรรทรัพย์ทําคําดีด้วยก็ได้อยากนั้นเลยสึกดีกว่าก็เพียรเดินเินเท้าแตกมันก็ลานเชื้อโคแล้วมันก็ยังไมบ่บรรลุท่านคิดนี้ต่อมาพุทธเจ้ามาปรากฏ ต, ต่อแน่ พระเจ้าก็ถามว่าเธอคิดแบบนี้ใช่ไหมบอกถูกแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าบอกเธอคิดเห็นอย่างไรครั้งก่อนเธอเป็นฤๅษีเธอเป็นผู้ชํานาญในการดิดพินใช่ไหมถูกแล้วพระเจ้าค่ะเธอคิดเห็นอย่างไรคราวใดสายพินของเธอมันตึงเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงเพาะหรือไม่เพาะบอกไม่เพาะถ้าคราวใดสายพินมันหย่อนเกินไปคราวนั้นเสียงพินเพาะหรือไม่เพาะ แต่คราวใดาสายพินของเธอไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตั้งอยู่ในระดับพอดีคราวนั้นพินของเธอจึงเป็นมีเสียงไพลระเหมาะที่จะใช้การใช่ไหมถูกแล้วพระเจ้าค่ะพระพุเจ้าบอกฉันนั้นเหมือนกันโสนะความเพียรที่ระดมมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุงซ่านเคยเป็นไหมเป็น ความเพียรที่หย่อนยานเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียดค้านเพราะเหตุ น, นั้นแหละเธอจงตั้งใจกำหนดความเพียรให้พอเหมาะจงเข้าใจความเสมอความพอดีกันแห่งอินทรีย์ทั้งหลายและจงถือนิมิตในความเสมออย่างพอดีนะก็เปล่เพียรมากก็สมาธิมนันดุนเเกียจค้านมากก็เอาความเพียร ม, มันดุน ศรัทธามากกับปัญญามาันดุลไว้ปัญญามันมากกับปัญญ า, าแต่ตอนนี้ศรัทธากับปัญญามันน้อยอยู่แต่ความเพียร น, นี่แหละมัมกจะ ก, กันโดดก็สมาธิมาคอยดูสติเป็นตัวเกลีย่ยเป็นตัวกำกับพอได้ไหมั้ยคุณสมบัติของผู้ทำความเพียรก็คือเป็นผู้มีศรัทธา มีตถาคตโพธิสัต tha เชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าเป็นพระอรหารเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จมรดีแล้วเป็นตัวเราเนี่ยนะนี่คุณสมบัติถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะเพียนเพี้ยนไหมคิดถึงพุทธคุณแล้วก็เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยประกอบด้วยไฟเผาผ่านอาหารได้ดีสม่ําเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางเหมาะแค่การเป็นเยนคนที่ร่างกายเหมาะสมดีด ทำความเพียนได้ดีคือการว่าเออกินอะไรก็ไปในร่างไฟที่มาเข้ามาเผามันมาสม่ำเสมอคนประเภทนี้อาภาษนอ้อยอย่างชันนี้ไม่ได้คอนอาภาษณ์เยอะเป็นผู้ไม่อ้วกอวดไม่มีมายาเป็นผู้เปิดเผยตัวตามความเป็นจริงทั้งในภาษาสดาทั้งในเพื่อนพ่อมาจารีผู้เป็นวินยู่ชนมีความจริงอย่างไรก็บอกเพื่อนกระยาณั้น โอ้ตอนนี้เราทําตรงนั้นยังไม่ได้ตัวนี้ได้เลยไม่โอ้อวดไม่โอไม่มีมายาทั้งๆที่ปฏิบัติไม่ได้ก็บอกโอ้ฉันปฏิบัติได้อันนี้ไม่มีแบบนั้นเป็นผู้ระดมความเพียรเพื่อรักกุศลธรรมเพื่อย้ำกุศลธรรมไม่ถึงพราะมีความเข้มแข็งบากบักมั่นคงไม่ทอดทุราในกุศลธรรมทั้งหลายก็หมายความว่าไม่ปล่อยใจเพลินๆเลยย้ำกุศลให้เกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องไม่ไม่ประมาท อยู่ในกุศลพกก็ไม่แช่อยู่ในกุศลประเภทนั้นพัฒนากุศลยิ่งยิ่งขึ้นไบางคนโอ้เราดีอยู่แล้วอยู่แค่นี้แหละไม่ไ ม, ไม่ไม่มากน้อยในกุศลเ <c oughs> ขาห้ามมากน้อยให้เพียรไปยาม ก, กุศลที่ยิ่งยิ่งไปเรายังไม่ได้ก็เพียรเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอย่างอริยะที่ยังเห็นความเกิดขึ้นและความดับสลายทําแรกเกเรตได้ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นต้น อีกองหนึ่งความเพียนเนาะอีกห้าประการก็คือแก่เท่าถูกชะลาครอบงำอย่างเช่นเรื่องเจ็บไข้ทุพย่าที่ครอบงำสมัยทุกภิกขภัยข้าวก็ไม่ดีอาหารก็หายากไม่สะดวกตอนนี้เรายังไม่เจอสมัยที่มีภัยเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายจนผู้ร้ายชุกชุมพ้นสนดมทั้งหลายตอนนี้เราก็ยังไม่เจอนะสมัยที่สงแตกแยกเออตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มปัญหาเยอะเลยด่าว่ากันบ้างเนยคนไม่เลื่อมใสทั้งหลายอเลยนี้นี้เริ่มเยอะขึ้น น, นี้ต้องระวัง เหตุใงการทําความเพียนยากอีกอย่างหนึ่งก็คือองค์ภิกษุยังหนุ่มยังยาวมีผมดกดําเหมือนท่านในอันนี้ต้องประกอบความวัยหนุ่มมันเจริญเป็นปฐมวัยตรงเนี้ยเนี่ยระดมความเพียรได้เต็มที่อย่าพมาปล่อยแก่ไ้คนนี้แล้วจะทําได้ไม่เต็มที่เนี่ต้องเร่งระดมความเพียร น, นะในการศึกษาในการฟังในการเจริญกุศลเนี่ยเป็นต้นในวัยเนี่ยได้ถ้าท่านแก่คนนี้อย่างละยานนี่ไม่ไม่ทันการ เป็นผู้มีอาภาษน้อยตอนนี้งโรคภัยก็เจ็บไม่เบียดเบียนฉันก็ยอมบีในเรื่องในตรงนี้แหละออสมัยที่สุภพิสิกะ ข, ข้าวยะข้าวปลาทั้งหลายหาสะดวก <c oughs> ตอนนี้โอเคแล้วก็สมัยที่มนุษย์หรือประชาชนทั้งหลายพร้อมเพียงกันเสมอหน้ากันไม่วิวาทกันตอนนี้ก็พอได้นิดิได้หน่อย สองก็ร้อมเพียรกันสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยถ้ามีเหตุใจเหตุปัจจัยทั้งสี่ประการนี้อยู่หน้าที่ไหนโอ้ทำความเพียรดีเลยมันถึงลอกอยู่หน้าที่ไหนจงอย่าสร้างความแตกแยกมันจะเจริญกุศลไม่ค่อยได้มองเห็นนี่ในยุคนี้หนึ่งยังหนุ่มแน่นทันไหนได้อาภาษก็ไม่ค่อยเกิดอาหารกหายสามข้อนใประชาชน ก็ไม่ค่อยแตกแยกกันนะที่ไปหาหลบอยู่ก็พอได้สงก็ไปอยู่ในหมู่สังคมสมที่ไม่แตกแยกกันท่านได้ถึงท่านได้ห้าข้อด้เหลืออย่างเดียวความเพียรอยู่ตัวก็อนึถึงพุทธพจน์พระเจ้าบอกไว้ไพระเจ้าว่าไอาขาตุมเหหิกิจจังอาตะปังอาขาตาโรตถาคตาความเพียร ท่านไหนต้องทำเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้<ม>ใช่ไหมท่านต้องทำเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกนะไม่ได้มาจาับมือดึงแต่บอกทุกขั้นตอนเลยนะบอกอรอยละเอียดบอกหมดทุก อ, อย่างเลยบอกว่านี่เป็นอย่างงี้อาสมาสติและลึกชอบโอ้โหสติปัฏฐานี่ หนักนะเนี่ยพิสูจทั้งหลายสัมมาสติเป็นชไหนภิสูจในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสมัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมณัตในโลกได้พิจารณ า, า, า, า, า, า, า, าเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกับจัดอวิชาได้ทมนั่นในโลกมีพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกับจัดอภิชาได้ทรมนั่นในโลกบางทีตรงเนี้ยบางคนไม่เข้าใจครับว่าพิจารณาเห็นกายในกายกายมันมีอยู่สิบสี่แบบสิบสี่หมวดพิจรารณามหมวดใดหมวดหนึ่งก็ชื่อว่ากําลังพิจรารณากายในกายเช่นเวลาดูลมหายใจเข้าออกอาณาพนธ์บอก อันนั้นก็เรียกอะไรพิจารณาเห็นกายในกายลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเป็นกายไหมแล้วยังมีกายอีกสิบสามหมวดเข้าใจยังมั้นั่นแหละคืออาณาบารณะจึงเป็นกายในกายสิบสามหมวดลองเห็นยังอาณาบรระเป็นกายอาสุภาก็เป็นกายใช่อีอาบทสบัพพัญญะ ผมคนเล็บฟันนังเนื้อเป็นต้นเป็นกายมดเลยจนถึงป่าช้าทั้งเก้าพิจารณาแท้สุนั่นแหละเป็นกายทั้งหมดเลยก็เลยพิจารณาเห็นกายในกายกายทั้งหมดมีสิบสี่หมวดเอาหมวดใดหมวดหนึ่งมาพิจารณาเขาเรียกกายในกายเหมือนเมล็ดข้าวในกองข้าวพอมองเห็นไหมเห็นแล้วนี่ก็เลพิจารณาอย่างนีกายบางคนไปอธิบายผิดไอ้กายในกายมันมีกายหยาบกายละเอียดลึกลงไปเหมืนหนูไปพูดขึ้นนจะ หยิบหมดได้หมดหนึ่งขึ้นมามเป็นกายในกายหมดเลยเช่นลมพิจารณาอนาปานาปสติกก็เป็นกายในกายหมดใหญ่แล้วก็เอียบบทมาเจริญสติสมัมปชัญญะก็เรียกว่ากายในกายสมัมปชัญญะบาปก็คือกายในกายก็ใจง่ายคำว่ากายในกายเป็นหนึ่แล้วเวทนาในเวทนาเวทนามีตั้งเก้า สุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนามีมิตรไม่มีมิตรตัวอ่ะไปใช่ไหมแบ่งออกทั้งเก้าเวทนาเก้าหมดพิจารณายกเวทนาใดขึ้นมาพิจารณาอยู่กลางระลึกถึงสุขเวทนาอยู่ก็เป็นเวทนาในเวทนาที่เหลือใช่ไหมจิตท่านก็แบ่งออกเป็นสิบหกจิตมีราคะจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะพอพิจารณาจิตมีราคะก็เป็นจิตในจิตใช่ไหมธรรมานุปัสสนานะ่ะมีห้าหมวดมีนิวรณ์นี่นิวณ์หน้า อ, อย่างนี้เป็นต้นหรือพิจารณาขันห้าอะไรเงี้ยเนื้ออริยธนะหรือพิจารณาหมวดใดหมวดหนึ่งในอริยสัจพอพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะทำในทำมองเห็นอย่าง คคุณรอยู่นํามาโนปัสสนาจิตวิตร์นี่สัมมาสติเป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าสติความมลลึกการตามระลึกความหัวระลึกสติกิริยาที่ลึกความทรงจําความไม่เละเลือนความไม่หลงลืมสติสตินตีสติปราสมาสติสติสัมพุชงอันเป็นองค์มากนับหนึ่งในยมากนี่เรี็วสัมมาสติอะไรเป็นเหตุใกล้ของสติ ทีละสัญญาประทัดฐานนั้นความจําที่มั่นคงนั้นคนที่มาร์คเครื่องหมายไว้เก่งๆคนนี้สติจะเกิดได้ไง่ายการเรียนธรรมะนี่คือการมาร์ค ม, มารคความจำไว้มากๆคๆไอตรงนี้จะเป็นเหตุใกล้ของสติแล้วก็การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมลมหายใจเข้าออกบ้างอิริยาบถบัพพะบ้างหรือตลอดถึงพุทธคุณเป็นต้นการระลึกสิ่งเหล่านี้บ่อยๆก็เป็นเหตุใกล้ของสติ มันจะเร็นสติไม่ยาเลื่นะี้ทีนี้ลักษณะของสัมมาสติอุปัฏานนะมีสติเข้าไปประกอบอยู่ในเฉพาะหน้าในรูปนามในไตลักจนถึงมารคยามเป็นต้นละสติที่ผิดด้วยนะมิฉาสติยังจิตให้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาจนจุกอาจิบ ล, ลุกอุปธรมรมปนะก็คืออุปธรรมข้ํมจูมารที่เหลือสติเป็นตัวอุปธรมได้ไหการระลึก การระลึกในกายในเวทนาในจิตในธรรมระลึกในพุทธคุณทั้งหลายนี่สติก็ไปเกือกญญเก้อกูลสัมาสมปชัญญะด้วยไหมเกื้อกูลเกื้อกูลสัมมาสังกปปะด้วยสัมมาวาจาด้วยสัมมากรรมตาสัมมาชีวะสัมมาวิมารสัมมาสมาธิเป็นต้นด้วยนั้นในขณะที่ระลึกระลึกเนี่ยโอ้โหมันเป็นการรวมเลยนะั่นรวมธรรมะเหล่านั้นนี่เขาจึงบอกอุปธรรมแล้วก็ครอบงำกิเลสด้วยแต่ทังข้าปหารมิคำปัญญาจะถึงสมุขเชิดประหานในขณะที่ระลึกได้เป็นตะทังคะ ถ้าสติไปตั้งมั่นอยู่ในสมาธิในองค์ชานเป็นวิคัมบันนะถ้าสติไปเกิดร่วมกันกับองมร์ปุ๊บเป็นสมุทเฉทะละได้เดตขังใช่ไหมไม่ใชาสติยกตัวอย่างแล้วลึกแล้วลึกได้แล้วลึกในการทำอกุศลแล้วลึกในบาปแล้วลึกในการทำบาปทุกข้อแล้วก็ พอใจในการระลึกบ่บ่ระลึกบ่บ่เช่นเราโกรธคนนี้ก็ระลึกถึงเข้าบ่บ่บ่ระลึกจะเอาเปรียบอะไรทั้งหลายตอนนั้นสติที่ระลึกเหล่านี้ได้ทั้งหลายเป็นวิชาสติระลึกแล้วบาปเกิดเป็นวิชาสติเคยัหมเคยยู่แวบมาเลยที่ไม่เคยเลสติวิชาสติมีกําลังอภิธานะยังจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลยังจิตให้บริสุทธิ์เป็นต้น วังยังจิตให้พองแผ้วเป็นวิทเป็นววทานนะแล้วก็ยังจิตให้บรรลุกุณวิเศษมีมรรคยานเป็ยต <c oughs> แล้วก็แทงตลอดตัดรวุอริยสัจสียังจิตให้เกิดความตั้งมั่นเป็นตัว <c oughs> ตรงเนี้ยในตัวสัมมาสติสตินี่ที่แปลว่าความระลึกได้ ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าระลึกได้อันนี้เพ่งไปในแง่งความจำเนี่ยมันถูกในแง่นี่ สติแท้จริงอภิลาปนารักษาเนี่ยมีความไม่ไม่เลอะเลือนมีความไม่หลงเป็นลักษณะแล้วก็บอกว่ามีการาเหตุไกล่ของสติของเขาคืออะไรคือทีระสัญญาประทัดฐานเห็น ไ, ไหมเพราะาเหตุไก่ของเขาคือมีความจําที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้การมาร์กอะไรบ่อยๆ ไอ้ตรงนี้มันเลยกลายว่าสติมันคล้ายๆกับความจำมันถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดมันไม่ได้เต็มความหมายถ้าพูดในแง่ปฏิเสธนะสตินอกจากจะหมายถึงความไม่ลืมถึงตรงกันข้ามกับอนุมัติแล้วยังหมายถึงการระลึกได้ด้วยแล้วหมายถึงการไม่เผลอเลยใช่ไหมมีการไม่เผลอไม่เล่นเล่อไม่ฟันเฟือนเนี่ยเป็นอาการปรากฏด้วยแล้วก็มีการไม่เลื่อนลอยด้วย เข้าใจคําว่าใจอยู่ใจอยู่ไม่ไม่ใจหายไม่ใจรอยนั่นแหละคือมีสติใช่ไหมใจมันอยู่กับใจมันอยู่ใจมันไม่หายมันจะมันไม่มันไม่ใจรอยนี่นี่ในแง่ของปฏิเสธเลงไปถึงความหมายในเชิงอนุมัติด้วยนะเช่นละมัดระวังความตื่นตัวต่อหน้าที่ความมีใจพร้อมอยู่ใจอยู่กับกิต จิตอยู่กับสิ่งที่ทําเคยเป็นไหมลักษณะนี้คือสตินั่นเองภาวะที่มีความพร้อมเสมอในการคอยรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องตระหนักว่าควรจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรการตระหนักเนี่ยลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นลักษณะของสติแล้วก็มันบางทีก็มองไปถึงการดูแลการรักษาการคุ้มครองลักษณะนี้นันเบางที การทำหน้าที่ของสติบางทีก็เปรียบเทียบเหมือนกับนายประตูใช่หมนายประตูก็คอยระวังเฝ้าดูคนคนคนเข้าคนออกและคอยกำกับปล่อยคนที่ควรเข้าออกให้เข้าออกได้แล้วคอยกันคอยห้ามที่ไม่ควรเข้าไม่ให้เข้าไปบางทีคนที่ไม่ควรออกก็ไม่ให้ออกศรัทธาคนให้ออกไปไมวุรยะสมาธิปัญญา ปุ่กุศลทั้งหลายสติตองคอยล็อกคอยกํากับไม่ออกแล้วก็ตาคาตัวสามโมหาควรให้เข้ามนี่ก็คอยแทนกายทุจริญวิญญาทุจริญมโนทุจริญไม่ควรให้เข้าไหมที่ยกตัวอย่างการครับรถมันก็ต้องมีสติกํากับในในสถานการณ์อืที่ที่เข้ามาต่อหน้าที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ว่า ที่จะให้มันเป็นสัมมาสตินั่นมันก็จะต้องเป็นการที่เจรักไาุ่ณพระใช่ไม่เพลินไปกับความชั่วและไม่ให้ความชั่วมันเล็ดรอดเข้ามาในใจได้เห mm hmm. มือนนายประตูหรือคอยกันความชั่วคือราคาตัวสามามันจะเล็ดรอดล้าไม่ได้ระวังกันๆพอศรัทธาจะออกไปไม่ได้ไม่ให้ออกข <c oughs> นาดนั้นเลมีเป็นไปลักษณะแบบนี้คัาจยเว้า การเปอยู่ด้วยความไม่ประมาท ก, ก็คือไม่ขาดสติไม่ใช่ว่าอู้ระลึกอยู่ขับรถ น, นีแต่ในขณะนั้นโอ้โหขับรถตื่นเต้นมากแล้วก็ชอบก็โกรธมากเครียดมา ก, มากตื่นเต้นมากนี่ไม่ใช่สติพอปไปปล่อยความเพลินเข้ามาเป็นวิชขาสติพอมองเห็นอย่างเดียวีัเป็ น, ปนมีสติเป็นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ การเจริญสติที่ที่เป็นบทบ ท, บทบาทที่สำคัญเพราะาจริงๆถ้าพูดถึงตัวสติเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าคนที่ใช้สติได้ดีก็เป็นคนที่โอ้โหได้ประโยชน์ค่อนข้างมากการระลึกในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พวกกลุ่มที่สติแข็งแรงตั้งมั่นเนี่ยเวลาที่จะระลึกถึงเรื่องอะไร สามารถที่จะไปดึงเรงนั้นมาได้ยังสติไม่ใช่ดึงสเปะย์สปานี่เพราะมีปัญญาคอยกำกับขึ้นมามีปัญญาคอยกำกับในการที่จะดึงเรงนั้นระลึกในการที่จะไข้ควดนิจใจอย่างนี้งั้นสตินี่เป็นตัวดึงตัวตรึงตัวจับเลยนะดึงตรึงและจับเลยสงสัยว่าสติมีมีหน้าที่ที่จะกำกับแทบจะทุกๆุกองมา แต่ทำไมท่านถือวางสติมาไว้ลําดับนี้ทําไมสติไม่ไปอยู่อันดับต้นอ๋ อ, อถ้าอยู่ในกลุ่มของสมาธิอ๋อแล้วสมาธินี่มาทีหลังเขาเสียงอันนี้เป็นลําดับเป็นการแสดงนะแต่คืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเกิดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เรียงลําดับใช่มันสามารถเกิดเกื้อกูลกันได้ทั้งหมดเขาจัดเป็นหมวดอย่างนี้สมาวยามะรสมาสติสม า, มาสมาธินี่กลุ่ม สมาธิขันสมาธิสิกขาจิตสิกขาสมาวจาสมากรรมิตสมาชิวานี่เป็นศีลขันเป็นศีลสิกขาเป็นด้านศีลสมาธิทีสมาสมาปะเป็นด้านปัญญา<ม>ใช่ไหมก็คือศีลสมาธิปัญญาเ<ม>วลาลําดับเป็นการแสดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ล้ำดับเป็นการเกิดขึ้นทั้งหลายมันเกื้อกูลกันหมดเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดเหรอที่มันเกื้อกูลต่อเนื่องท่านสัมมาทิฏฐิไปเกื้อกูลต่อสัมมาสังกประกับสัมมาวจาสัมมากรรมิตาสัมมาชวะสัมมาวิมารสมาสติสัมมาสมาธิแม้สัมมาสติก็ไปเกื้อกูลเขาสาสชาติธรรมเหล่านั้นทั้งหมดไม่ใช่ไม่เกื้อกูลเขาเกื้อกูลแต่ไม่ได้แลว่ามันต้องเรียนมันแบไล่เรีอย่างนี้ในการประชุมองค์มรรคไม่ใช่เขาเกิดขึ้นเป็นปัจจัยเกี่ยกันตลอด จริงๆเขเกิดพร้อมกันในซ้ำไปแต่ น, นี้พูดให้เห็นเห็นเห็นโดยความเป็นเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองถ้ามองว่าถามว่าสติเนี่ยอุปธรรมไหมอุปธรรมธรรมะเหล่านั้นไหมอุปธรรมอุปธรรมปัญญาไหมอุปธมรมยังไงถ้าไม่มีสติดึงข้อมูลมาปัญญาจะไปฟันไปตรวจสอบอะไรเข้าใจไหมคทีนี้ การที่จะการที่จะดําริเนี่ยเป็นต้นหรอเนี้ยได้ดีหรือไม่ได้ดีก็คือสตินี่แหละยังไงเป็นตัวเกื้อกูลอยู่เหมือนกันเอาสิเพราะสติเนี่ยเป็นกลัวกําหนดเป็นตัวป้องกันไม่ให้บาปเล็ดรอดเข้าไปและในขณะเดียวกันสติยังสามารถเข้าไปดึงข้อมูลทั้งหลายที่สัญญาเก็บเขาไว้ทั้งหมดเอาให้ปัญญาฟันตรวจสอบวิจัยแยกแยะพอปัญญาฟันวิจัยตรวจสอบแยกแยะแล้วให้ดําริถูกต้องยังไงยังไงเกื้อกูลกันยังไง คอยกำกับคอยกำกับให้สภาว่าธรรมเหล่า น, นั้นไม่ออกให้เกิดรวมกันเนี่ยไม่ให้หลุดไปจากใจยังไงว่างั้นเถอะและในขณะเดียวกันนอกจากกำกับไม่บาปเล็ดรอดเข้าไปในจิตแล้วสติก็ต้องลึกตรึงอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ที่ปัญญาปรารถนาจะตรวจสอบถตัสติปล่อยอารมณ์นั้นแล้วปัญญามีรู้จะตรวจสอบอะไรได้เลย <laughs> อย่างนี้เป็นต้น <laughs> โง ก, ก็ทำหน้าที่กันมากสรจจ์ญญมากเมื่อเขา เป็นไปในสภาวัฒน์แบบนี้นได้ความเป็นจริงเวลาที่เกิดมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่อง์เดียวไม่ใช่เรียงลาดับแต่มันจะเกิดขึ้นใช่อันนี้เป็นลําดับแห่งการเทศนาหรือลําดับแห่งการแสดงแต่ลําดับแห่งการเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเจ็ดจำลองตรงนั้นไอตัวไหนมันเด่นกว่าไปแต่สติต้องให้เด่นตลอดที่สัมปับสมาสติมีสําคันธมากถามว่าสติถ้าไม่เกิดสมาธิมาได้ไหม โอ้โหใหม่ๆเนี่ยเวลาเราจเริญสมาธิต้องใช้สติอย่างมากเลยนะระลึกเนี่ยในการดึงดึงระลึกระลึกตรึงตรึงเนืจนสมาธิแข็งแรงมั่นคงตั้งมั่นแล้วสติจึงลดบนผ่านลงใหม่ๆนี่ไม่ได้เลยไปทั่วเลยนะถ้าสติไม่ค่อยล็อกอารมณ์จับอารมณ์ดึงอารมณ์ตึงอารมณ์ไปโอ้โยจนกว่าจะสมาธิแข็งแรงได้จิตตั้งมั่นได้นั่นแหละผ่อนแรงได้สติ สมาธิก็ไปอยู่เด่นน้ําหน้าไปเป็นองค์ฌานเป็นองมาร์กเลยว่าไปถ้ายังไม่ใหม่เลยเนี่ยโอ้โหเช่นดูลมเข้าออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกนีสติชัดเลยนะจนกว่ารู้ยาวรู้สั้นรู้ตลอดสายจนระงับกอบลมก็สติก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นจนสมาธิแนบชิดกลายเป็นฌานสมาบัติขึ้นมาได้ นั่นแหละสติจึงค่อยๆลดบทบาทให้สมาธิเด็ดใหม่ๆนี้ไม่ได้เลยสติต้องมามีบทบาททุกเรื่องท่านใช้คําว่าสติจําปรารถนาในกิจทั้งปวงทุกอย่างสติจะต้องเด่นมันรู้ทําไม่ได้เลยถ้าสติไม่ทําหน้าที่เด่นๆเออเห็นไหมอินทรีย์ตัวอื่นเนี่ยต้องปรับแต่สติเนี่ยต้องมากต้องมากเท่านั้น สำคัญนะสำคัญมากนี่เป็นอย่างนี้กี่บมงห้าโมงขึ้นจนจะหก อ, อ, ย <c oughs> อยู่อ้อมนึ่ง มีอะไรจะถามไหม ม, ม, มีมีนี่เป็นเร่องว่าในอนาคตสติที่ที่บอกว่าเราก็ได้ตามลมเข้าไปแต่ว่ามันทีกที่ว่า ส, สติรู้ว่าต้นลมอยู่ตรงตร ง, ตรงอมจมูกแล้วเข้าไปข้างในท้องเข้าไปอันนั้นรู้เพื่ออะไรเนะี่เมื่อเราไม่ตามเข้าไปอ เพรนั้นท่านสอนเพื่อให้เราเข้าใจลมมันมีสามระดับระดับต้นลมกลางลมปลายลมในขณะหายใจเข้าต้นลมอยู่ตรงไหนกลางลมอยู่ตรงไหนแล้วก็ปลายลมอยู่ตรงไหนหายใจออกต้นลมอยู่สะดื อ, อกลางลมอยู่หัวใจแล้วก็ปลายลมอยู่สมุข ใ, ให้รู้ให้ศึกษาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจเบ็ดเสร็จแล้วเหมือนคนเลื่อยไม้ ไม่ต้องตามเข้าไปเราให้ดูทังนั้นเดี๋ยวเลื่อยมันวิ่งออกมาเองเดี๋ยวฟันเลื่อยมันวิ่งออกมาหมดดูแค่จุดกระทบอดูจุดกระทบกับไม้กับฟันเลื่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวมันวิ่งออกมาเห็นเองแต่ให้รู้เถี๋มันมาหมดอหะเมื่อเมื่อสติมีกําลังสมาธิแข็งแรงปัญญาชัดแล้วดูจุดเดียวเห็นทั้งหมดอย่าตามเข้าไปมันจะเป็นปัญหามันจะเป็นปัญหา มันผิดขั้นตอนการปฏิบัติแล้วสมาธิจะไม่ตั้งมั่นฌานสมาบัติไม่เกิดจะไปเกิดได้ไงวิ่งไปวิ่งออกวิ่งไปและที่หนักไว้กว่านั้นมันไปเห็นขึ้นมาพอเห็นขึ้นมากรรมฐานมันเปลี่ยนรูปมันกลายเป็นอสุภะกรรมฐานมันจะเห็นความไม่งามตรงนี้ในท้องในท้องมันจะเห็นหมดเลยนะลำไส้เลยทั้งหลายแบบนี้ยเห็นความไม่งามพุดขึ้นมาเลยแต่เนี้ยจากอนาบนารรณสติกลายเป็นอสุภะกรรมฐานก็จะกรรมฐานเป็นโทษเป็นโทษทันที เขาให่ง้มันเป็นอย่างนั้นเขาให้ศึกษารู้ว่าต้นลมกลางลมปลายลมเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่ให้รู้เพื่อตามไม่ใชใ่รู้เพื่อตามแต่มันมีบางแห่งอ่านศึกษาคำสอนไม่ดีเลยไปให้ลูกศิษย์ตามทำกันทั้งปีทั้งชาติมันก็ได้แค่นั้นได้สงบแต่มันไม่พัฒนาต่อไม่พัฒนาต่อ แล้วก็เขียนว่าเป็นตำรากันเดินไปหมดตอนนี้ทำอย่างเราจะไปพูดแหลงก็ไม่ได้แล้วตอนนี้มันเขาใช้ผิดขัดหลักในปฏิสัมพิธามแล้วตัวนี้เลืยกตามลงจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าคำว่าสรรพกายสรรพกายยะปฏิเสงทั้งเวทีอัศสิษสามีติสิทธเดีย หายใจเข้าให้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงคำว่ากองลมทั้งปวงตรงนี้เป็นปัญหาตรงเขาไม่ให้ตามแต่รู้อยู่ดูอยู่ตรงเนี้ยมันจะเห็นกองลมทั้งหมดทั้งต้นลมกลางลมและปลายลมหายใจเข้าได้หายใจออก <S 2> <S 2> <S นี่นีนี่เขาอยากสัพพะกายะสัพพคือทั้งหมดเขาเลยรู้ตลอดสายคำว่ารู้ตลอดสายไม่ใช่ตามคือดูอยู่จุดเดียวเหมือนคนเรื่อยไม้ ชัดเลยเนี่ยถ้าออกมาเป็นคนเลื่อยมาอัจาริยะท่านถึงบอกเหมือนคนเลื่อยมาจะไปตามเข้าไปอย่างนี้างเข้าไปร้อนเลยนั้นก็ดูนะจุดเดียวเราจะเห็นฟันเลื่อยวิ่งปุ๊บ๊๊๊กระทบปุ๊บปุุ๊๊ปเรจะดูเฉพาะฟันที่กระทบเท่านั้นแหละฟันอื่นเราไม่ดูนะดูเฉพาะฟันที่กระทบปุ๊บปุ๊บกุ๊กปุ๊บเข้าออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ยกว่าทั้งป สับคำว่าทั้งปวงทีนี้ประเด็นมันถามว่าการเจริญปัญญาปัญสติเนี่ยทําไมทั้งปวงนั่ น, นจะจัดได้เป็นสี่ระดั บ, บหนึ่งรู้เข้ารู้ออกเบื้องต้นเบสิกเลยเ น, นี่ยการทำอานาปนานสติรู้สึกว่าขณะนี้หายใจเข้ารู้สึกว่าขณะนี้หายใจออกรู้สึกเนี่ยไอตัวรู้สึกตัวนั้นคือตัวสตินะฮะรู้เข้า รู้สึกว่าหายใจออกรู้สึกว่าหายใจเข้าเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือออกทําตรงนี้จนเกิดชํานาญชํานา น, น, านจนสติมีกําลังสติเริ่มจับลมเนี่ยจับลมตรึงนี่สมาธิก็เริ่มนี่เริ่มรู้ว่าอ๋อที่เข้านี่ออกจนชํานาญแล้วต่อไประดับที่สองรู้ยาวรู้สั้นบางคนเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกยาวแล้วแต่แล้วแต่แ ก็ให้รู้แต่ไม่ใช่ยาววิ่งออกไปเท่าไหร่นะดูจุดเดียวเนะี่ยมันจะรู้ทันดียาวก็ว่าหายใจช้าสั้นก็ว่าหายใจเร็วเนี่ยจับประเด็นแค่เนี้ยนี่เขรู้ยา ว, ร, า ร, ยาวรู้สั้นทํำใชมไหมใหม่ๆไปรู้ยาวรู้สั้นไปไม่ไหวสติไม่พอเครียดใหม่ๆต้องรู้ตรงนี้จนเกิดความสติแข็งแรงแล้วมันจะพัฒนาไปสู่พอไปจับรู้ยาวรู้สั้นมันไม่เหนื่อยมันจะมีความสุข มันจะครอบตัวดีชัดมันจะชัดแล้วมันเลยระดับหนึ่งมาแล้วมันเป็นระดับสองพอรู้ยาวรู้ชั้นต่อไปพอจะไปรู้ตลอดสายเนี่ยขั้นที่สามเนี่ยถ้าเรารู้ตลอดสายเนี่ยมันจะรู้ทันทีถ้าเราพยายามจะขยับเร็วๆมันจะเหนื่อยมันตามไม่ไหวสติเราอ่อนกว่ามันอ่อนก็จะกลับมารู้ยาวรู้สั้นจนชํานานจนแข็งแรงอ่ะมันจะเป็นจารธรรมชาติของมันเลยนะธรรมชาติที่มันเหมาะเหมือนเราแบกไม้อ่ะ ร่างกายเราแข็งแรงขนาดไหนมันแบบได้ขนาดไหนมันจะรู้กำลังทั้งนั้นโอ้โจ้องเดือดรุดจ้องเดือดรุดเยอะนี่แหละเคยเป็นไหมล่ะเนี่ยเป็นเงอันคีอนักปาิบัติต้องต้องฉลาดเนี่ยมันต้องรู้ยาวรู้สั้นจนโอ้โหมั่นคงแข็งแรงจนเวลาเหลือเฟือแล้วก็ไปรู้ตลอดสายสปากายาไปสามเวทีอสสิสามิติหรือปัสสิสามมิติรู้รู้ตลอดสายตรงนี้ไม่ใช่ตามลมก็คือรู้ในขณะที่หายใจเข้าลมกระทบปุ๊บดูเข้าตลอดจนหมดออกปุ๊บก็กระทบ จนหมดโอ้โหเนี่ยเข้าเข้าก็ตลอดสายออกกตลอดสายเข้าตลอดสายออกตลอดสายก็แฝดดูอยู่จุดเดียวเนี่ยสติแข็งแรงมากนิมิตก็ไม่เกิดมีปัญหาคือนิมิตไม่เกิดนะใช่ไหมมันได้มันตามได้ตลอดตลอดตลอดแต่นิมิตไม่เกิดจันถึงต้องใช้ระดับที่4ี่เขาเรียกว่าปัดสมพยังกายสังขารังอสุสสามีติสิตินี่คือระงับระงับลมระงับลมมันต้องมีอุบายใช่ไหมอาโพคา สมณหาละมณสิกาละปัจเวทคนายังไงสี่ขั้นตอนเนี่ยอภโภฆะก็คือมณสิการว่าจะผลล่อนลมทั้งพอเราดูตลอดสายจนสติเราแข็งแรงเห็นทุกขั้นตอนรู้ชัดจัดเกตทุกขั้นตอนแล้วนะมันไม่พัฒนาต่อแล้วสติมันได้แค่นั้นเองวิธีการทํำยังไงจะให้สติแข็งแรงกว่า น, นั้นสมาธิแข็งแรงกว่า น, นั้นความเพียรแข็งแรงกว่า น, นั้นศรัทธามั่นคงกว่า น, นั้นก็ลดลมอย่าให้ลมเด็น ค่อยๆผ่อนลงพอลมเด่นมันก็สติมันก็พอๆกับลมใช่ไมปัญหาก็คือมันไม่แนบแน่นไปกว่า น, นั้นเพราะการให้อาหารที่ไม่คล้ายๆว่าถ้าต้องการให้สติแข็งแรงหรือให้สัตว์ตัวนี้มันแข็งแรงคุณต้องให้อาหารละเอียดกว่านั้นเพราะว่าเขากินอาหารประเภทนี้แล้วไม่แข็งแรงคุณก็ต้องผ่อนให้ลมละเอียดลง ค่อยๆมาณสิการ์เพื่อค่อยๆผ่อนอาโพคอนะสมาณหาละปักใจลงไปค่อยๆผ่อนตลอดไม่ใช่ผ่อนๆหยาบๆผ่อนๆหยาบๆทําให้ผ่อนผ่อนได้ยังไพอกายเบาจิตเบาติดอะไรลมหายใจเราไม่ไม่ค่อยๆมาณสิการเพื่อให้ลมแผ่วลมก็จะค่อยๆลดระดับลงอย่าลดเร็วนะเหมือนเครื่องบินน่ยเนี่ยฟึดอย่างนี้ไม่ได้ลดหมายถึงว่า ให้ความละเอียดขึ้นใชให้ลมค่อยๆผ่อนลงสติค่อยๆถ้าถ้าลมผ่อนลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นใช่ไหมสติจะไม่กําจะจับไม่อยู่แล้วนั่นคือหาไม่เจอ เ, อ, อเดี๋ยวสติจะหาไม่เจอถ้ารถเร็วเกินไปจึงค่อยลดการลดกับการเพิ่มสติมันเหมือนว่าสิ่งของเนี่ยที่เหมือนเอเหมือนเหมือนเราเหมือนเราตีตีตีคองหรือตีตีตีระฆังหรือกาสรสะนเกง่ง ใหม่เสียงมันนัน่นะค่อยๆนัเข้าเสียงมันจะค่อยๆมีผ่อนลงเลยใช่ไหมความตั้งใจต้องสูงขึ้นไหมมันถึงจะได้ยินนะ่ะเพราะฉะนั้นความตั้งใจสติสมาธิเลย ต, ต้องต้องต้องให้เด่นขึ้นมันคือคือมันจนสามารถที่ยินนะ่ะเลขขันไหนก็ได้ยินได้ยินได้ยินเนี่ยโอชดัดเลยนัเข้าจะเข้าพลสติเด่นขึ้นสมาธิเด่นขึ้นกําลังชาสามา บ, บัติกําลังเด่นขปุ๊บปุ๊บนิมิตมาเลยเด่ โอ้นิมิตมาแล้วแต่นี้เราก็ยังไม่ใส่ใจดูลมละเอียดไปเรื่อยๆเนี่ยเขา้าไอ้ตัวแสงสว่างก็ดีตัวนิมิตก็ดีอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะมาแทนเน่ยเขา้าเน่ยเขา้าไม่ต้องดูลมแล้วเราไม่น่าสิการดูนิมิตไม่ต้องใส่ใจที่ลมดูมนิมิตตอนนิมิตมันแข็งแรงมั่นคงแล้วเขาใจยังเป้าหมายคืออะไรก็คือต้องการให้เห็นนิมิตเป้าหมายคืออะไรต้องการให้สติมันแข็งแรงเพราะงั้นนิมิตไม่เกิดสัทีอยากการมีแค่นี้เอง มันไม่ยากเลยนะนี่ที่พูดเพื่อนทั้งหมดเลยถ้าพูดให้ยากก็ได้พูดให้ง่ายก็ได้เที่ยงเวลาคือตอนนี้ตอนนี้ไม่สามารถจะเข้าไปรู้สภาวะอย่างนั้นได้คือไม่เข้าใจสภาวะเลยเพราะไมีเคยทำที่เกิ ด, กดคำวา่าผ่อนลมนี่คือมนาสิการที่จะ ท่านนั่งอย่างนี้ท่านลมให้ใจหยาบไหมตอนนี้หยาบท่านลองนั่งให้นิ่งๆหน่อยดิ้วก็พยายามให้มันเย็น่แล้วก็ค่อยให้ลมค่อยๆเบาลงตั้งใจที่ให้เบาลงมานาสิกามที่ให้เบาลงใช้ปัญญาพิจารณาไม่ไม่ทําให้มันการหายใจมันสะดุดซ้ายสะดุกขวาแต่ให้มันเป็นไปธรรมชาติละเพียงแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงใชถ้าแผ่วลงเร็วปุบมันไม่เห็นลมที่ว่าลมหาย เพาะว่าเราปล่อนันเร็วกนไปหรือบางทีไม่ได้ผเผลอแป๊บเดียว น, น, ยนั่นอย่างเงี้ยถ้าอย่างกรณีอย่างนี้ก็ก็มานสิการดูจุดเดีวเดี๋ยวมันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเมื่อสติแข็งแรงเมื่อไรไม่ต้องไปเม่ต้องไปทำอย่างไแีแต่อันนั้นแปลว่าสติเราอ่อนเราถึงหาไม่เจอใช่มันมีตลอดอย่าง มันมีบางครั้งที่มันสติเราจับไม่ทันหรือว่าที่เราเห็นลมเข้ากับออกมันมนคนละข้างเรื่องข้างไม่เป็นไรเข้าทางออกไม่เป็นไรก็สติเราไม่ไม่เห็นสองข้าไม่เป็นไรไม่ใหม่เบื้องต้นที่อาจจะเป็นพราร่างกายก็ได้แค่เรืลมมันมีอยู่ อะมันเด่นกว่าก็เลยเห็นตอนเข้ามันเด่นทางด้านนี้ตอนออกมันเด่นอีกข้างต้อไม่เป็นไรรู้เข้าออกไปเรื่อยๆมราชการว่ารู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกใ น, นเข้าเข้าก็จะรู้อ๋อที่จริงตั้งสองนแหละอเข้าใจมากมาบาลีตัวบาลีไม่เข้าใจ้ อ, อลทั้งวงนเห็นภาพ